บทนำสู่พุทธธรรมชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นรมณีโดยสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตจากฉบับไทยอังกฤษพิมพ์ครั้งแรกเดือนสิจิกายนพุทธศักราช2561สรุปหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนาในภาพรวมเพื่อความเข้าใจในโครงสร้างและการนำมาใช้ในชีวิตและสังคม เป็นบทนำก่อนที่จะได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับเต็มต่อไปจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวั์เฉลิมชัยลิลสมฤทธิ์ประไพจิตอันกลางร่วมจัดทําโดยครอบครัวอิ่มวงศรีครอบครัวปิติเจริญกุลอ้อยพรจึงวิวัฒนาพรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากต้นเรื่องในแต่ละตอนและท้ายเรื่องโดยเรื่องนี้แบ่งได้เป็นสามหัวข้อหลักสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนิทานพจน์ในการพิมพ์ครั้งแรกเริ่มหนังสือบทนำสู่พุทธธรรมชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นโรมณีนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดหมายไม่ได้ตั้งใจไว้เองและไม่ใช่ทำตามคำขอของบุคคลใดเป็นกรณีไม่คาดหมายที่แท้กเข้ามา คือมีคำถามเกี่ยวกับธรรมะจากวงงานกิจการสำคัญอันหนึ่งซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องตอบจึงได้เขียนตอบอธิบายไปแม้จะไม่ยาวนักแต่ได้ไม่เห็นว่าคำตอบอธิบายนั้นเป็นคำสรุปหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาและถ้าเพิ่มเติมขยายความสักหน่อยก็จะใช้เป็นหนังสือประกอบหรือพ่วงกับหนังสือพุทธธรรมได้โดยเป็นคล้ายบทนาหรือสรุปความแนวหนึ่ง จึงได้จัดปรับเขียนเพิ่มเติมขึ้นเสร็จในเวลาเร่งด่วนเนื้อความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีอยู่แล้วในหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายแต่ผู้อ่านที่ยังใหม่ในการศึกษาธรรมบางทีอาจบอกทํานองว่าการอ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายนั้นเหมือนลงไปในทะเลใหญ่มองไม่เห็นขอบฟ้าจับอะไรปฏะติดประต่อไม่ไหวหรือไม่อาจจัดเรียงเรื่องราวให้เป็นรูปเป็นร่าง หนังสือบทนำสู่พุทธธรรมเล่มนี้อาจช่วยได้ทั้งในแง่เป็นบทนำให้มองเห็นเข้าความอย่างน้อยด้านหนึ่งที่จะช่วยให้ศึกษาโดยเข้าใจและจับความง่ายขึ้นและในแง่เป็นบทสรุปโดยเฉพาะที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตและสังคมซึ่งมีโลกเป็นที่อาศัยและกรรมไว้ซึ่งโชคชะตาอันหนึ่งหลายท่านไม่ค่อยสบายกับความเป็นที่ลานตาทางวิชาการ ในหนังสือเล่มน้อยนี้จึงได้ละเว้นการบอกอคติสถานที่มาของข้อมูลสีหลายแห่งโดยให้มีแต่น้อยสักหน่อยในการพิมพ์ได้อาศัยบัญชีนิตยาพัดหลวงเป็นอันให้งานสำเร็จได้ด้วยพระบรมราชูปรรมที่สืบมาตามราชประเพณีจึงถือหนังสือธรรมทานนี้เป็นการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล เช่นเดียวกับในครั้งจัดหาอุปกรณ์ในงานจัดทำหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายในพุทธศักราช2555บัดนี้ในวาระลุปริโยสารแห่งงานธรรมทานครั้งนี้ขอทุกท่านที่เกื้อหนุนในบุญการจงเจริญด้วยการเกษมสรรและสัพพกุศลขอสัตยธรรมจงรุ่งเรืองแผ่ไพศาลเพื่อความเจริญัยบูญแห่งประโยชน์สุขของปวงประชาตลอดการยืนนาน ลงชื่อพระพรมคุณาภรณ์ปอประยุตโต13เมษายนพุทธศักราช2559ในที่นี้ท่านเขียนไว้เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์นะครับปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุติประยุตโต ป้องกันอนาคตภัยมีพุทธพจน์ตรัสเรื่องอนาคตภัยห้าอย่างไว้ต่อกันสี่ชุดเตือนพระสงฆ์ให้ป้องกันภัยในอนาคตมีมาในอังคุตรนิกายปัญจาการนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อมีทั้งที่ทรงเตือนภิกษุเฉพาะตัวเฉพาะประเภทและทรงเตือนพระสงฆ์โดยรวมทั้งหมดทั่วกัน ชุดที่หนึ่งสำหรับพระที่อยู่ปาจุดที่สองสำหรับพระภิกษุทุกรูปทั้งสองชุดนี้ตรัสเตือนให้ไม่ประมาทเร่งภาคเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้ไม่ถึงชุดที่สตรัสเตือนพระสงฆ์ทั่วทั้งหมดให้ตื่นตัวตรหนักถึงภัยห้าอย่างซึ่งในพุทธกาลยังไม่เกิดขึ้นแต่จะบังเกิดขึ้นในการต่อไปอันพึงพยายามป้องกันแก้ไข ชุดที่สี่ตรัสเตือนพระสงฆ์ทั่วทั้งหมดให้ตื่นตัวตระหนักถึงภัยอีกห้าอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอันพึงพยายามป้องกันแก้ไขเช่นเดียวกันในที่นี้จะแสดงเฉพาะชุดที่สามข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการดำรงรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรงดังนี้ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยหประการนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบนัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้รั้นตระหนักทันการแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นอนาคตภัยหประการเป็นไนกล่าวคือในอนาคตกานจะมีเหล่าภิกษุผู้มิได้พัฒนากายในวงเล็บ ไม่เป็นพาวิกาย trilogy, ไม่มีกายภาวนามีได้พัฒนาศีลไม่เป็นพาวิศีลไม่มีศีลภาวนามีได้พัฒนาจิตไม่เป็นพาวิจิตไม่มีจิตตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาไม่เป็นพาวิปัญญาไม่มีปัญญาภาวนาภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาก็จักเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนำฝึกฝนผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในวงเล็บสมาธิในอธิปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จ<บ>ักเป็นผู้ที่ไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาเหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาก็จักให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนาเหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา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 แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ครันรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นศึกษาสิกขาสามจบจึงพัฒนาครบภาวนาสีพุทธธรรม ว่าด้วยความจริงตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของโลกของชีวิตเมื่อรู้เข้าใจความจริงนั้นแล้วคนก็จะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและพัฒนาชีวิตให้เต็มสมบูรณ์สามารถดูแลตนเองสังคมและโลกที่ตนอยู่อาศัยให้ดีงามสมเต็มสภาวะพุทธพจน์ข้างบนนี้แสดงการฝึกคนด้วยการศึกษาสามคือไตรสิกขา จึงจะทําให้เขาเป็นคนที่ได้พัฒนาครบสี่เป็นภาวิตคือผู้มีภาวนาสีอันเป็นคําที่แสดงจุดหมายของพุทธธรรมไว้จึงควรรู้เข้าใจชัดว่าไรศิกขาทําให้มีภาวนาสีที่บุคคลจะเป็นภาวิตได้อย่างไรบทนําเป็นคําเริ่มต้นจึงบอกไว้ถึงจุดหมายที่มุ่งจะไปให้ถึง ธรรมชาติแวดล้อมแต่ล้วนโรมานีถิ่นโรมานีคือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนาเรื่องราวตอนสําคัญในพุทธประวัติและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่เป็นจุดตัดเข้าสู่การตั้งต้นของพระพุทธศาสนาคือเมื่อพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์หลังเสด็จออกบรรพชา ได้ไปทรงศึกษาทดลองลทัทธิของสำนักสำคัญสำคัญจบแล้วตัดสินพระไทยว่ามิใช่ทางที่จะให้ถึงจุดหมายจึงทรงละเลิกหันมาดำเนินมรรคาของพระองค์เองโดยเสด็จไปทรงหาภูมิสถานที่จะทรงปฏิบัติการค้นคว้าทดลองณจุดนี้มีพุทธพจน์ที่ตรัสเล่าไว้เองซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถึงสี่แห่งในสี่พระสูตรคือปาราสิสูตร มหาสัจจกา ส, สูตรโพธิราชกุมารสูตรและสคารวะสูตรมีความว่าในที่สุดทรงพบที่อันเหมาะเช่นนั้นที่อุรุเวลาเสนานิคมดังที่ตรัสในวาระนั้นว่าภูมิสถานทิ่ น, นี้เป็นที่โรมนีนอบาลีว่าพระมณียวะตะภูมิพาโคมีไพรสุร่มรื่นหน้าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสยเย็นชื่นใจชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบทั้งโคจราคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบาเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลได้นั่งลงแล้วณนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี่ลหละเหมาะที่จะบาเพ็ญเพียร ที่อุรุเวลาณถิ่นอันเป็นรมณีนี้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ซึ่งถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของพระพุทธศาสนาดังความที่บันทึกไว้ในประไตรปิฎกเล่มที่สี่ว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่อุรุเวลาณนะโพธิรุก ข, ขมูลใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคูบัลังเดียวณนะโพธิรุกขมูลสวยวิมุตติสุขตลอดสัปดาคราวนั้นตลอดปฐมมยามแห่งราตรีทรงมานาสิการปฏิจจะสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นตรงนี้เป็นเหตุการณ์จุดสำคัญที่จิตกรนิยมวาดภาพพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าประทับในร่มโพธิปรึกษาแนวริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอันมีบรรยากาศเป็นโร ม, มันีในถิ่นนิคมอุรุเวลาหลังสวยวิมุติสุขณาที่นั้นแล้วการประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นต่อมาไม่นานเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนาที่เมืองราชฤๅษนครนหลวงของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงเลื่อมใส ถวายราชอุทยานเวลูวันให้เป็นที่ประทับของพระองค์และเป็นที่อยู่อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวอารามังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอารามจากวินัยปิฎกเล่มที่สี่ประสงค์จึงเริ่มมีวัดอยู่คำว่าวัดที่ทรงอนุญาตก็คือ อารามตรงกับคำว่าสวนโดยทั่วไปมีบุพารามคือสวนดอกไม้กับพลารามสวนผลไม้ซึ่งเป็นที่โรมนีอารามเป็นคำนามโรมนีเป็นคุณศัพท์มาจากรากศัพท์เดียวกันในคราวนั้นเวลุวานอุทยาน คือสวนไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายได้เป็นอารามคือวัดแรกในพระพุทธศาสนาดังที่เรียกว่าเวลุวานารามต่อจากนั้นก็มีผู้สร้างวัดถวายหรือถวายวันะเป็นอารามคือเป็นวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากมายทุกวัดมีลักษณะ ส, สำคัญว่าเป็นรมณีที่สดชื่นรื่นรม รมณีเป็นคำที่ใช้บ่อยมากเมื่อใช้ในบทร้อยกรองกลายเป็นคำที่ยาวไม่สะดวกดังนั้นในคำร้อยกรองจึงมาใช้รัมมะแทนลดจากสี่เหลือสองพยางรัมมะก็คือรมเท่ากับรมณีนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองเช่นในคราวที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีถวายเจตวันเป็นอาราม ว่าวิหาเรการะเยรัมเมพึงสร้างที่พระอยู่อาศัยอันเป็นรมณีจากวินัยปิดกเล่มที่เจ็ดที่จริงก็ถือกันมาแต่โบราณจะว่าเป็นหลักก็ได้ว่าต้องเลือกหาสรรสร้างและจัดสันที่อยู่อาศัยให้เป็นรมณีเช่นพวกฤาษีพวกดาบทอย่างพระเวสสันดรก็สันก็สร้างอาสมและแม้แต่บรณารณศาลา ซึ่งเป็นที่อาศัยง่ายๆอยู่กับธรรมชาติให้เป็นรมยสถานเป็นที่โรมานีความเป็นที่โรมานีนี้ขยายความออกไปจนถึงขั้นเทวดาพระราชามหาเศรษฐีความเป็นโรมนีที่รื่นรมกลายเป็นว่ามีการตกแต่งด้วยวัตถุประดับประดาโออ่าอลังการแต่แม้ถึงจะเป็นวิมานที่มีวัตถุอลังการมากมายก็ต้องให้มีลักษณะสาสคัญด้านธรรมชาติ ที่เป็นแกนของความเป็นโรมันีเกณฑ์ต่ำสุดของถิ่นโรมันีคือมีน้ำอุดมร่มเรือนด้วยพฤกษาเป็นอันว่าถิ่นอาศัยต้องให้มีคุณลักษณะสำคัญเป็นโรมันีโดยเฉพาะวัดด้านหนึ่งมีองค์ประกอบของธรรมชาติ เป็นฐานเป็นแกนและอีกด้านหนึ่งอยู่ในขอบเขตพระวินัยพระสงฆ์ดูแลวัดให้สะอาดเรียบร้อยร่ม ร, รื่นปลอดภัยได้ปัสสัทธิคือความสุขแบบสงบเบาสบายผ่อนคลายมิใช่อย่างชาวบ้านที่มักประดับตกแต่งให้เป็นเครื่องแสดงฐานะแห่งยศหรือทรัพย์ด้วยและอาจเลยเรื่นรมไปเป็นเริงรมได้แค่อุตสุข หรือไม่ก็เอียงไปข้างกีฬาหันสาสุขคุณลักษณะสําคัญของความเป็นโรแมนีที่ถือได้ว่าเป็นแกนยืนพื้นซึ่งท่านพูดถึงก่อนอย่างอื่นอาจจะพูดว่าเป็นคุณสมบัติอย่างน้อยหรือเป็นเกณฑ์จําเป็นต่ําสุดของความเป็นโรแมนีคือความพร้อมด้วยน้ําและร่มเงาในวงเล็บฉายาคือร่มเงา บวกอุทกกะหรืออุทกคือน้ำคำของท่านว่าจะยุตกกะสมบัติอย่างที่อุรุเวลาเสนานิคมที่พระพุทธเจ้าตกลงพระทัยใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญเพียรพระองค์ทรงบรรยายไว้เองว่ามีไพรสนร่มรื่นหน้าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสยเย็นชื่นใจสถานรมณีที่ท่านบรรยายไว้ มีความร่างพร้อมงดงามด้วยน้ำและร่มเงานี้ต่างกันไปหลากหลายเช่นบางแห่งว่าสะบกกรณีมีน้ำใสน้ำมีรสอร่อยเย็นชื่นสะอาดสะท้อนแสงระยิบระยับมีท่าน้ำเรียบงามนำความรื่นรมดอกเดือนด้วยลุกขชาตน า, นานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงาแต่ไม่ว่าจะวิ จ, จิตงดงามอย่างไร ก็คือมีน้ำอุดมมีร่มไม้ให้พักพิงต่อจากนั้นและร่มเงาต้นไม้ที่เป็นหลักเป็นแกนก็เพิ่มขึ้นไปอีกคือภูมิภาคสมบัติได้แก่ทําเลพื้นที่บริเวณพื้นแผ่นดินที่สะอาสดสดใสไร้ขยะไม่รกรุงรังเรียบร้อยราบรื่นเดินง่ายปลอดภัยสบายตาควรทอดทัศ น, น์นาชื่นชม ยังอุรุเวลาที่ว่ามีชายน้ำราบเรียบบางแห่งท่านบรรยายไว้ว่ามีหาดหรือพื้นทรายแผ่ไปเป็นลานกว้างไกลเหมือนปูด้วยแผ่นเงินหรือลาดด้วยแผ่นทองข้อนี้ขยายโยงต่อไปถึงสายลมแสงแดดท้องฟ้ารวมถึงว่ายามราตรีมีดวงจันทร์กระจางฟ้านับพาจมใสไร้ทุลีและหมอกควันว่ามาถึงนี่แล้ว ก็ให้เป็นเรื่องของกวีที่จะเอื้อนบรรยายกันไปต่อจากนั้นอีกก็ควรมีคำนาคำนาสมบัติเช่นว่าไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปเดินทางไปถึงได้สะดวกจากนั้นก็โยงต่อไปที่บุคคลสมบัติหลอดคนร้ายมีคนดีมีคนที่พึ่งพาอาศัยได้ ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องเป็นที่สงบสงัดไม่แออัดไม่พลุกพล่านจอแจควรแกการสแสวงวิเวกรวมความว่าพระพุทธศาสนาเน้นความสำคัญของถิ่นที่อาศัยมากการสันคือเลือกสรรจัดสรรและสันคือสร้างสรรมีคอควายกระันนะครับ การสัรนและสั่นถิ่นที่อาศัยให้เป็นโรมนีที่สดชื่นรื่นรมชุบชูชีวิตชื่นกายชูใจเป็นหลักพื้นฐานรวมอยู่ในหลักการใหญ่ข้อแรกของระบบการพัฒนามนุษย์คือในข้อกายภาวนากายภาวนาเท่ากับการพัฒนาผัสสะทวารกายคือพัฒนาร่างกายซึ่งเป็นที่ประชุม แห่งช่องทางรับรู้ติดต่อสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ระบบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสด้วยอินทรีย์สังวรโดยรับรู้ติดต่อสื่อสารอย่างมีสติให้ได้ผลดีถิ่นอาศัยได้แก่ที่อยู่สถานที่ทำกิจการการงานภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับความเป็นอยู่การพัฒนาชีวิตการเลี้ยงชีพการประกอบกิจหน้าที่การงานตลอดจนการสวยสุขผจนทุกข์ของมนุษย์รวมทั้งการที่ชีวิตจะเริ่มต้นและสิ้นสุดคือเกิดจนถึงตายหินอาศัยเป็นจุดเชื่อมต่อโลกของมนุษย์เข้ากับโลกของธรรมชาติที่รองรับโลกมนุษย์นั้น จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องอนุรักษ์สภาพโรมานีนี้ไว้จะเห็นได้ในตำนานและในประวัติศาสตร์แค่ขาดส่วนพื้นฐานหรือแกนของสภาพโรมานีไม่มชีชายุทกะหรือชาโยทกะชายุทกหรือชาโยทกน้ำแรงต้นไม้ลม้มไม่นานนักเลยเหล่ามนุษย์ก็ต้องย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายเมือง ดินแดนที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นที่รกร้างถ้าหนักหนาก็สูญสิ้นความเป็นรัฐเป็นชาติแม้กระทั่งอารยธรรมก็ล่มตัวมนุษย์เองด้านที่เป็นบุคคลซึ่งเป็นส่วนของสังคมแม้ได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสนุกสนานบันเทิงก็เป็นของห่อหุ้มยุบเหลือกผิวเป็นของประกอบประดับไว้ไม่แท้จริงยั่งยืน แต่ตัวมนุษย์ด้านที่เป็นชีวิตซึ่งเป็นส่วนของธรรมชาติเป็นเนื้อตัวที่แท้เป็นที่พิสูจน์ความสุขที่เป็นของจริงอยู่ในตัวมนุษย์จึงต้องมีความสุขที่เป็นของชีวิตซึ่งอยู่ในธรรมชาติและถึงกันกันกบธรรมชาติให้ความสุขของชีวิตที่ลึกเข้าไปถึงในจิตในใจจริงๆนี้มีอยู่เป็นพื้นเป็นแกน ตามที่ว่านี้ในขั้นพื้นฐานจึงควรให้มนุษย์มีความสุขอยู่ที่ธรรมชาติในสภาพโรมนีโดยมีดินที่ปรากฏตัวของป่าภูเขาต้นไม้เขียวขจีมีดอกหลากสีนานาพันธุ์มีน้ำในแม่น้ำและบรรดาฉลาไหลที่ใสสะอาดงดงามชื่นกายชื่นใจและมีแสงแดดสายลมอากาศสดชื่นแจ่มใสใต้ท้องฟ้าที่เจิดจ้าอัมภัย อริยชนมีชีวิตมีสังคมที่ชื่นชมโรมนีท่านพูดถึงธรรมตั้งแต่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์เริ่มวิธีของท่านโดยมีสภาพโรมนีเป็นถินอาศัยเมื่อจบกิจในการบำเพ็ญเพียรแล้วก็มีความสุขประจำอยู่คู่ชีวิตทุกเมื่อทุกเวลา ตั้งแต่ในสภาพรมณีที่มีเป็นพื้นและเพียงการอยู่การปรากฏตัวของท่านเองก็ทำให้ถินที่แถบนั้นเป็นรมณีไปด้วยพระพุทธเจ้ากนตรัสุรู้เมื่อทรงพบถินรมณีจึงอยู่ประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่นดังได้เล่าแล้วแม้ก่อนเสด็จดับคันทัพปรินิพานสามเดือนเมื่อตรัสประธานโอกาสแก่พระอานนท์ ที่จะอาราธนาให้ดำรงพระชนอยู่ต่อไปก็ตรัสแต่เรื่องว่าที่นั้นๆเป็นโรมณนีดูก อ, อานนน์นครราชฤก์ก็โรมณนีเขาคิดกูกรก็โรมณนีถ้าสัตบัญคูหาก็โรมณนีตะโปทารามก็โรมณนีนครเวสาลีก็โรมณนีละจนถึงปาวานเจดีก็โรมณนี ในคราวจะเสด็จไปเยี่ยมพระยาติวงที่เมืองกบิลพัตพระกาลุทธายีกล่าวคำร้อยกรองพรรณนาความงดงามของป่าเขาลำนาไพรบนทางเสด็จถึงหกสิบคาถาเช่นว่าข้าแต่องค์พระวีระเจ้าหมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบานสปร่างหน้าเรื่นรมใจในวงเล็บมโนรมส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศโดยรอบทิ้งใบ รอผลิกใหม่เป็นกาลสมัยอันเหมาะที่จะเสด็จจากที่นี้ออกทรงดำเนินจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาเสด็จพระอรหันต์ที่อยู่ป่าเขาดัางเช่นพระมาหากษัะรช้าออกไปบิณฑบาตรั้นกลับมาเดินขึ้นเขาก็ชื่นชมโรมนณีทั้งบนทั้งข้างริมทางไปตลอด เช่นที่ท่านบันทึกคถาของพระมาหากะสปะไว้ว่าภาคพื้นภูเขาเป็นที่ร่าเริงใจมีต้นกลุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถวมีเสียงช้างร้องก้องกังวานเป็นโรมายสถานถิ่นคุ้นเขาทำใจเราให้รื่นรมตั้งแต่พุทธการสืบมายามเดินทางไปมาหาสู่เมื่อพระพบปะทักทายกันจะกล่าวคำปฏิสันฐาน ถามถึงความเป็นอยู่ก็นิยมกล่าวถึงที่พักอาศัยว่าเป็นโรมานีจะต้อนรับก็บอกว่าถิ่นที่นั้นเป็นโรมานีดังในมหาโคสิงค์คาสารสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองที่พระสารีบุตรกล่าวธรรมปฏิสันทานแก่พระอา น, นุ์ว่าป่าสาละชื่อว่าโคสิงค์านี้เป็นโรมานีราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสพร่งเต็มต้นทั่วทั้งป่าส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วดุจดังกลิ่นทิพก็ปานฉะนั้นท่านเอ่ยป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัพปรินิพานแล้วไม่นานวันหนึ่งวัสการพรามมหาอมหาแห่งมคตเดินตรวจงานในนครราชฤ และโดยบังเอิญได้พบกับพระอานนท์เมื่อสนทนาไถ่ถามกันตอนหนึ่งวัสการพรามถามว่าเวลานี้ท่านพระอานนท์พำนักอยู่ที่ไหนดูก่อนพรามเวลานี้อัตมาอยู่ที่เวลูวันท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็เวลูวันยังเป็นโรมันีสัดเสียงไม่อึกกระทึกไม่พลุกพล่านเป็นที่ควรจะทำการส่วนตัวของคนเหมาะแก่การหลีกเรนอยู่หรือ ดูก่อนพราหมณ์แน่ละ่ะเวลุวันจะเป็นโรมนีสงัดเสียงไม่อึกกระทึกไม่พลุกพล่านเป็นที่ควรจะทำการส่วนตัวของคนเหมาะแก่การหลีกเล้นอยู่ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้งครองเช่นท่านจากพระไตรปิฎกเล่มที่ส4มหาเวสสันดรชาดกที่เราเรียกสั้นๆว่ามหาชาติซึ่งมีส3บสามกันยกเนื้อที่สองกัน ให้เป็นคำพรรณนาความงดงามน่ารื่นรมของป่าเขาลำนาไพรคือจุลพลและมหาพลในวินัยของพระสงฆ์มีพุทธบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพระที่จะดูแลรักษาที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยงดงามคือให้เป็นที่โรมณีเรียกว่าเสนาสนาวัดจึงเป็นธรรมดาที่ว่าในวัดพระซึ่งมีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ อยู่กับหมู่ไม้ร่วมไม้จะต้องหมั่นกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นโดยถือสําคัญจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมในวัฒนธรรมประเพณีไทยดังเห็นได้ในหนังสือสวดมนต์ซึ่งระบุ ก, การกวาดลานวัดไว้ในรายการกิจวัตรของพระการดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณวัดถือว่าเป็นการดูแลอุปชาอาจารย์ไปด้วยในตัว หน้าที่ธรกิจของพระสงฆ์ที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นให้วัดเป็นที่โรมนันีตั้งแต่ปัดถูผ้วกวาดลานวัดเป็นต้นไปนี้น่าจะได้เป็นประเพณีปฏิบัติที่ชัดเจนจริงจังสืบกันมาอย่างยางั่งยืนในประเพณีไทยจนทําให้ภาพวัดที่เป็นโรมันีนั้นประทับตาประทับใจและได้ประทับอยู่ในกวีนิพนธ์ตามกาละสมัยดังเช่นในนิราชเนริน ที่นรินที่เบตเขียนโครงชื่นชมบรรยากาศอันเป็นรมณีของวัดวาอารามในยุคท้ายของกรุงศรีอยุธยาต่อมายังรัตนโกสินดังนี้ว่าบทระเบียงมรดกพื้นภัยหารธรรมมาศาลาลานพระแผ้วออไตรรักังขานภายค่ำไขประทีพโคมแก้วกําฟ้าเฟือนจันทร์ วางระบบความสัมพันธ์พื้นฐานให้ชีวิตและสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติที่เป็นโรมานีตามหลักการบวชเรียนที่ตรัสแสดงไว้พอบวชเข้ามาเป็นภิกษุในพระธรรมวินยัยพระก็ต้องรักษาวินัยที่เรียกว่าปาติโมกซึ่งมี227สิคสิกขาบทเรียกตามภาษาปาก หรือภาษาชาวบ้านว่าศีลสี น, นี่ก็คล้ายกับกฎระเบียบของชุมชนหรือองค์กรเช่นใครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการก็ต้องรักษากฎระเบียบของข้าราชการแม้แต่เด็กเข้าโรงเรียนเป็นนักเรียนก็มีกฎของโรงเรียนหรือระเบียบของนักเรียนการสังวรระวางดูแลปกครองตนให้อยู่ในปาฏิโมกนี้ถือว่าเป็นศีลหลัก ของพระสงฆ์เรียกว่าปาติโมคสังวรเมื่อตรัสแสดงปาติโมคสังวรที่เรียกกันว่ารักษาศีลจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอินรียสังวรต่อหรือจะว่าพ่วงกันไว้ก็ได้โดยทรงใช้คำว่าอินทรเยสุกุตตถวาโรแปล ว, ว่า มีทวารที่คุ้มครองหรือปกครองดูแลแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายคำนี้พบในพระไตรปิฎกถึงราว45แห่งอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์คือการดูแลปกครองตนให้รู้จักใช้อินทรีย์ซึ่งทำหน้าที่รับรู้ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสอันเป็นประตู คือช่องทางติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับโลกแห่งสิ่งแวดล้อมให้ใช้ช่องทางสื่อสารเหล่านั้นยังได้ผลดีให้เกิดความเจริญงอกงามที่เป็นฐานเป็นต้นทางของการพัฒนาชีวิตในด้านอื่นๆทั้งหมดย้ำว่าตัวเราคือร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นช่องทางรับรู้ติดต่อกับโลก จึงเรียกว่าเบญจทวารกายหรือเบญจภัสสะทวารกายเราทำกายภาวนาคือพัฒนาเบญจทวารกายนั้นด้วยอินรียสังวรคือฝึกให้รู้จักใช้อินรีควบคุมปกครองนำพาตนเองในการใช้ตาดูหูฟังจมูกสูดดมกลิ่นลิ้นลิ้มชิมรสกายสัมผัสจับต้อง โดยไม่ติดอยู่แค่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจที่ได้แค่เพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาหรือขัดเคืองขุ่นมัวฟุ้งซ่านไปแต่ดูเห็นได้ยินฟังเป็นต้นอย่างมีสติได้เรียนรู้ได้ปัญญาและเพิ่มภูลกคุณธรรมเช่นให้เกิดความสดชื่นเบิกบานใจสงบมีความสุขเกิดความรักอยากช่วยเหลือกันเกิดฉันทะใฝ่รู้ใฝ่ธรร และคิดการสร้างสรรค์ทั้งหลายการปกครองอินทรีย์ได้ช่วยให้รักษาวินัยในปาติโมกได้ง่ายด้วยกายภาวนาจึงพ่วงไปกับศีลภาวนาหนุนศีลภาวนาในชั้นอัตถกถาเรียกเป็นศีลไปทั้งสองอย่างคือปาติโมกขสังวรศีลและอินทรียสังวรศีล เมื่อดูแลใช้ผัสสะทวารได้ดีซึ่งเป็นกายภาวนาก็เป็นต้นทางช่วยให้ดูแลการทำกรรมทางกายทวารและวัจจิทวารคือศีลภาวนาด้วยเป็นอันว่าอินรียสังวรคือการดูแลปกครองผัสสะทวารที่เป็นกายภาวานานี้สำคัญมากคู่กันพ่วงกันมากับการพัฒนาศีลหรือศีลภาวนา ดังที่ในเมืองไทยนี้พูดถึงพระภิกษุกันคุ้นปากว่าสํารวมไม่สํารวมแสดงว่าอินรียสังวร น, นี้ถือสำคัญกันมาจนเป็นประเพณีแต่ไปไปม า, มาเหมือนจะเหลือแต่รูปแบบมองแค่อาการภายนอกไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายและวิธีปฏิบัติที่แท้จริงจึงควรต้องฟื้นฟูขึ้นมาและไม่เฉพาะแก่พระเนนเท่านั้น แต่ควรปฏิบัติกันในการศึกษาและการพัฒนาคนทั่วทั้งหมดอินทรีย์คือผัสสะทวารเหล่านี้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับโลกแห่งสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเราควรให้อินทรีย์เหล่านั้นได้สัมผัสเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงที่ดีงามเกื้อกูลที่ช่วยโน้มน้อมใจไปในทางที่ดีงามในเชิงรากกุศล เช่นเห็นหรือได้ยินแล้วสดชื่นรู้สึกสงบสบายใจอยากทำอะไรที่ดีๆไม่ใช่จะให้ต้องคอยรับมือกับสิ่งเรา้าที่เลือกไม่ได้อยู่ตลอดเวลาโดยในยะนี้ถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วก็จะช่วยให้กายภาวนาเดินหน้าไปได้ง่ายและช่วยหนุนให้ก้าวไปในการพัฒนาที่เป็นภาวนาข้ออื่นๆได้ดีขึ้นด้วยด้วยเหตุ น, นี้ จึงได้มีคติในการเลือกหาและจัดสรรถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมประจำของคนให้เป็นรมณีเริ่มด้วยวัดวาอารามอันเป็นที่อยู่ที่ประจำทากิจของพระผู้จะต้องปฏิบัติในการพัฒนากายตามหลักกายภาวนานี้อยู่แล้วได้มีคติเลือกหาและจัดสภาพถิ่นของตนให้เป็นรมณีดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพ่วงอินทรียสังวร แห่งกายภาวนาไว้กับศีลภาวนาตั้งแต่เริ่มรักษาวินัยดังได้พูดมาแล้วกว้างออกไปทุกคนควรปฏิบัติในหลักการนี้ทั้งนั้นคือเลือกหาและจัดสรรถินอาศัยตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่ที่ทำงานให้เป็นที่โรมณีมีความสะอาดเรียบร้อยงดงามน่าชื่นชมดินน้ำอากาศธรรมชาติรอบตัวทั่วทั้งหมด สดชื่นรื่นรมปลอดภัยเอื้อต่อการเป็นอยู่และการพัฒนาชีวิตของคนหลักกายภาวนาที่จะให้ได้ผลในการพัฒนากายคือเบญจพัสสทวานให้เกิดกุศลเป็นประโยชน์ในการสัมพันธ์กับโลกแห่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงเริ่มที่คติโรมนีดังที่ว่ามานีเป็นอันว่าที่พูดมานั้น เป็นการเน้นการพัฒนาคนในขั้นต้นๆโดยเริ่มที่กายภาวนาอันเป็นข้อแรกอยู่แล้วแต่มักถูกมองข้ามไปทั้งที่สำคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มตั้งต้น ต, ตั้งตัวเป็นการสร้างบรรยากาศที่เกื้อหนุนและเสริมความพร้อมที่จะก้าวหน้าไปในการพัฒนาทุกขั้นคือการพัฒนาคนให้ครบจบภาวนาสีทั่วทั้งหมด หัวข้อหลักที่สองทำบุญสร้างชุมชนให้อยู่กันดีร่วมจัดทาโดยพนอมรักเพชรสเถียนนิยมโคตรมณีออนกิติพุ่มสะอาดทำบุญสร้างชุมชนให้อยู่กันดีในตำนานในประเพณีมีสาระที่ควรเข้าถึงและอนุรักษ์ไว้ให้ตรงให้ดี มีความเก่าติดอยู่ในความระลึกอย่างหนึ่งว่าเมื่อผู้เขียนยังเป็นสมณะ เ, เล็กๆอยู่ในชนบทพอจะเห็นว่ามีความนิยมหรือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่พระเทศเรื่องเกี่ยวกับพระอินพูดถึงวัตรบทเจของพระอินเล่าเรื่องการทำบุญของมคคะมานกกับพวกที่ชวนกัรรวมตัวกันตั้งกลุ่มทำบุญกันอย่างเป็นลาเป็นสันและยืดยาวแล้วในที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอินและเป็นเหล่าเทวดาในดาวดึง พูดง่ายๆคือเทศเรื่องประวัติหรือตำนานพระอินทร์ในวงเล็บฉบับ พ, พุทธแต่การล่วงมาล่วงมาตำนานพระอินทร์ที่ว่านั้นก็เหมือนว่าเงียบหายหรือถูกลืมไปคนยังได้ยินนามของพระอินทร์และคนมากมายก็ยังทำบุญกันแต่คนไม่รู้จักการทำบุญของมานกที่มาเกิดเป็นพระอินทร์การที่ติดใจนึกถึงเรื่องนี้เราะอยากได้ความรู้ในเรื่องนั้น ให้มีหลักฐานที่ช่วยให้ชัดเจนมั่นใจเกี่ยวกับประเพณีไทยในเวลานั้นถ้าเมื่อ 60-70 ถึงปีก่อนนั้นมีประเพณีเทศเรื่องวัตรบทเจของพระอินทร์หรือตำนานพระอินทร์อย่างที่ว่าก็พูดได้ว่าคนไทยสมัยก่อนพุทธศักราชสอ0 0มีความรู้เข้าใจเรื่องบุญและการทำบุญชัดตรงกว่าคนไทยทั่วไปในปัจจุบันนี้มาก พร้อมกันนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในเวลายาวนานที่ผ่านมาซึ่งคนไทยห่างเหินจากความรู้จักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทยได้หดเหี่ยวลงความประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างอาจจะเหลืออยู่เพียงแค่รูปแบบที่ทำตามๆกันไปในสภาพเช่นนี้ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่คนไทยเวลานี้รู้เข้าใจและปฏิบัติกันหลายอย่างจึงคงได้พร่องได้เพี้ยนไปแล้วหรือถึงกับเลื่อนลอยอย่างน้อยก็คับแคบลงเมื่อพร่องหรือเพี้ยนไปความรู้ความประพฤตินั้นนอกจากขาดประโยชน์ที่พึงได้ตามความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแล้วก็อาจก่อโทษเสียหายไปทุกด้าน ทั้งแก่พระพุทธศาสนาแก่วัฒนธรรมประเพณีไทยแก่ตัวคนตลอดจนแก่สังคมประเทศชาติไม่ว่าจะอย่างไรในที่นี้ก็ควรเล่าตำนานพระอินทร์ที่ว่านั้นไว้เพื่อฟื้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญและคติการทำบุญให้ใกล้เคียงหลักพระพุทธศาสนาและกู้ประโยชน์ให้แก่สังคมไทยสาหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินมีความสำคัญมากเป็นที่นับถืออย่างสูงในสังคมไทยตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาจึงได้เป็นที่สืบสารคตินิยมต่างๆเช่นพระอินมีสวนสวรรค์สี่แห่งคือจิตพระละดาวันปารุสกวันและนันทวันหรือนันทนาวันซึ่งได้มาเป็นนามของพระราชวังวังเจ้านายและสถานที่สำคัญของราชการ ชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับองค์อินเป็นที่รู้จักคุ้นชินแกคนไทยในทางที่รู้สึกว่าสูงทรงยิ่งใหญ่อย่างพระวชิราวุธเวชยันตประศาสตร์เวชยันตราชรสช้างเอราวัณ น, นันทาบุคธรณีและต้นไม้สวรรค์ประจํำดาวดึงสเทวโลกชื่อว่าปาริชาตหรือปาริชาติพระอินเป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุคพระเวท เมื่อพวกอารยันอพยกบุกรุบมายังชมพูทวีพปพระอินทร์เป็นเทพสูงสุดยอดนักรบจนกระทั่งเมื่ออารยันตั้งถิ่นฐานมั่นในชมพูทวีปแล้วการยุดลดความเด่นพระอินทร์ก็ด้อยความสำคัญลงไปพระพรหมยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยพวกพราหมณ์อ้างพระพรหมจัดแบ่งมนุษย์เป็นสีวันณนะและจัดระบบพิธีบูชายัญให้เป็นเรื่องจาเป็นและใหญ่โตโอฬาร เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะที่เป็นความจริงมีอยู่เป็นธรรมดานั่นแหละที่มนุษย์จะต้องเคารพถือเป็นสำคัญให้เลิกถือวันนะไม่ต้องบูชายันมนุษย์และเทพเป็นอิสระต่อกันทั้งคนและเทวดาจะลุ ถ, ถึงจุดหมายแห่งธรรมได้โดยต่างก็ดำเนินวิถีปฏิบัติจนล่วงตลอดด้วยตนเองดังนั้น ผู้ที่สมัครเข้ามาในมรรคาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีอะไรติดพันห่วงพะวงเกี่ยวโยงกับเทวดานอกจากว่าเทวดาที่หวังความก้าวหน้าในธรรมจะมาขอฟังธรรมจากพระดีๆหรือเทวดามีศรัทธาอาจจะมาถวายบริการหรือมีพระคิดเฉย ใ, ใช้ประพฤติไม่ดีเทวดาดีๆก็อาจจะมาช่วยให้สติ เทวดานี้ไม่ดีก็มีบ้างที่จะมาพยายามแกล้งก็ให้ชวนอยู่กันด้วยเมตตาอย่างไรก็ดีเขาเอหัสชาวบ้านมากมายยังไม่รู้เข้าใจชัดเพียงพอในพุทธมรรคาและยังห่วงภวาวงพรั่นใจต่อเทวะอำนาจตอนนี้ท่านให้พระพรหมอยู่เงี ย, งยบๆดีๆไม่ต้องมายุ่งกับคนแต่พระอินที่ยิ่งใหญ่มาแต่เดิม ยังมีบทบาทในโลกมนุษย์มากถึงตอนนี้พระอินทที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาเก่าก็เปลี่ยนมาเป็นพระอินท์ในพระพุทธศาสนาโดยมีบทบาทสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการสัมดงเดชข่มเหงรอบงามผู้อื่นมาเป็นการปกป้องคนดีช่วยเหลือคนมีธรรมะในคำภีพุทธศาสนาพระอินทจึงเป็นบุคลิกสองแบบ คือแบบแรกที่เป็นมาแต่เดินในศาสนาเก่าซึ่งมีอาการหวงแหนความยิ่งใหญ่ระแวงกลัวว่าใครจะมาแข่งแย่งอำนาจเช่นถ้ามีฤาษีดาบทบาเพ็ญตบะกแก่กล้าอาจของพระอินก็จะร้อนทำให้ทรงสอดส่องว่าใครมีฤทธิ์คมแข็งที่จะทำให้พระอินหลุดล่นกถานะแล้วก็ปิดแกล้งไปหาทางทำลายตบะ ในแบบหลังพระอินที่มานับถือพระพุทธเจ้าถ้าคนดีถูกข่มเหงรังแก่คนมุ่งมั่นทำความดีแล้วติดขัดหรือถูกขัดขวางเกิดความไม่เป็นธรรมอาจของพระอินก็จะร้อนเมื่อสอดส่องทราบเหตุแล้วก็ส่งมาช่วยเหลือแก้ไขดังที่คนไทยไม่นานนักนี้คุณดีกับความในพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองวาทิพอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประราดใจ ละจนถึงสอดส่องที่พระเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรสนาแม้นมีไปช่วยจะมวยมอดเป็นตน้นพระอินในคติพุทธเอาใจใส่ดูแลส่งเสริมให้คนในโลกมนุษย์ประพฤติ ธ, ธรรมถึงขั้นถือเป็นงานเป็นการของดาวดึงสตทวโลกโดยพิจารณาในสุธรรมสภายกตัวอย่างเช่นในวันอุโบโสถส5บหาคำ่ำ เท้าจัดตุมหาราชไปเที่ยวตรวจดูโลกว่ามนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดาเกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์อ่อนโยนน้อมนกผู้ใหญ่ในสกุลมูลเหล่าอยู่ถืออุโบสถทำบุญทั้งหลายมีมากหรือน้อยในวันส4บสคำ่ำส่งโอรสไปเที่ยวดูและแดคำ่ำส่งเทวดาบริวารไปดูแล้วรายงานแก่ประดาเทพชั้นดาวดึง ที่มาประชุมในสุดธรรมสภาตามนั้นชาวพุทธผู้นำทำบุญแรกคือทำถิ่นให้เป็นรมณีบุญใหญ่อันสำคัญคือช่วยกันทำชุมชนให้อยู่กันดี ได้พูดข้างต้นว่าคนในวัฒนธรรมไทยสมัยครึ่งศตวรรษก่อนนี้พอจะคุ้นหูกับคําว่าวัตตรบทชเจของพระอินทคือข้อปฏิบัติประจําตัวของพระอินทซึ่งแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าด้วยการถือวัตรบทชเจ็มรรคมนกจึงได้มาเป็นพระอินทและลงท้ายว่าบุคคลที่ถือวัตระบทชเจ็ดนี้แหละพวกเทวดาชันดาวดึงเรียกว่าเป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดี วัตรบท7พระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าและฉบับอักษรโรมันเรียกว่าวัตบทหรือรถบทได้แก่ถือว่าตลอดชีวิตนี้ 1. เราจะเลี้ยงดูมาดาบิดา 2. เราจะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลมูเล่าสาเราจะพูดจาสุภาพนุ่มนวล 4. เราจะไม่พูดจาสอเสียดยุยงพูดแต่คำสมานสมามัคคีห้าเราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตรนียินดีในการสละชอบแจกจ่ายให้ปันหกเราจะมีวาจาสัตว์เจ็ดเราจะไม่โกรธ ถ, ถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้นก็จะกำจัดมันได้ฉับพลันพอถึงตรงนี้ คำพีต่างๆราวสี่คำพีซึ่งบอกรายละเอียดต่างกันบ้างก็เล่าประวัติของหนุ่มมคคมามนกผู้ได้ทำบุญทั้งหลายซึ่งทำให้ถิ่นอาศัยเป็นโรมนีให้ชุมชนอยู่กันดีแล้วมาเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเรื่องราวการทำบุญที่น่าจะได้สืบมาในวัฒนธรรมไทยที่เคยคุ้นกันมาในสังคมไทยในที่นี้เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามที่เหมือนถูกลืมไป และที่สำคัญจะช่วยให้เข้าใจความหมายของคำว่าบุญได้ชัดตรงจึงยกมาเล่ายาวสักหน่อยขอให้สังเกตคาว่าบุญและบุญกรรมกับคาว่ารมนีในอดีตการที่มาจะรักามในแคว้นมาคตขณะที่ชาวหมู่บ้านทำงานกันอยู่ที่บริเวณกลางหมู่บ้านมคคมานกมานกชื่อว่ามคคะ ไปทำงานที่นั่นเขากำจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานที่ในส่วนของตัวให้สะอาดเรียบร้อยเป็นโรมณีทำงานแล้วพักอยู่แต่แล้วมีคนอื่นชอบใจที่นั่นมาเอาแขนผลักเขาให้พ้นไปแล้วเขาไปพักที่นั่นซิเองมคะมานพต้องออกไปก็ไม่โกรธแต่ไปชําระทำความสะอาดที่จุดอื่นทำที่ใหม่ให้เป็นโรมณีแล้วย้ายไปอยู่ตรงนั้น แล้วก็มีคนอื่นอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากที่นั้นแล้วเข้าไปใช้ที่นั่นแทนมัคคะมาน ก, ก็ไม่โกรธแต่ย้ายไปจัดทาที่อื่นให้เป็นรมณีมัคคะยังถูกคนอื่นแย่งเอาที่นั้นไปอีกเขาก็ไม่โกรธก็ย้ายไปทำที่อื่นต่อๆไปขยายไปเรื่อยๆพร้อมกับคิดว่าคนเหล่านี้ได้รับความสุขก็ดีแล้วเขามีความสุขด้วยการกระทาของเรา การกระทาของเรานั้นก็ต้องเป็นกรรมที่เป็นบุญซึ่งจะให้ความสุขแก่เราด้วยวันรุ่งขึ้นมคัคกะถือจอบไปขุดแต่งบริเวณที่เป็นลานให้เป็นโรมณีชาวบ้านทั้งผู้เด็กผู้ใหญ่ก็ได้ไปนั่งพักที่ไหนคนมาชุมนุมกันอย่างกลางหมู่บ้านมาักกะก็กว่าชำระทำสถานที่นั้นให้สะอาดเป็นโรมณี จัดที่ทางบริเวณให้สะดวกสบายแก่บรรดาผู้คนถือว่าเป็นการให้ความสุขแก่มหาชนเมื่อถึงฤดูหนาวเขาก็ก่อไฟให้ในฤดูร้อนก็จัดน้ำให้ต่อมามัคคะคิดว่าที่โรมนันียอมเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนไม่มีใครไม่ชอบที่โรมนันีแต่นี้ไปเราควรทำหนทางให้ราบเรียบ แล้วก็แบกถือมีดขวานจอบเสียมออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เที่ยวไปจัดแต่งถนนหนทางตัดรานกิ่งไม้ที่เกะกะ ก, กีดขวางเมื่องานที่ต้องทำมากขึ้นก็ต้องทำทั้งวันเป็นเหตุให้กลับบ้านค่ำมืดวันหนึ่งหนุ่มบ้านใกล้เจอเขาถามว่าไปทำอะไรมาก็ตอบว่าไปทำบุญชําระทางสวรรค์ หนุ่มคนนั้นบอกว่าขอเป็นเพื่อนร่วมทำบุญด้วยตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นคณะที่มีสองคนแล้วก็มีหนุ่มอื่นอีกเป็นเขาทั้งสองแล้วถามอย่างนั้นพอทราบแล้วก็เป็นสหายร่วมกันต่อมาก็มีผู้สนใจเห็นตามเข้าร่วมทำบุญเพิ่มขึ้นทีละคนสองคนจนพวกคนหนุ่มในหมู่บ้านเข้าร่วมกับเขาเป็นกลุ่มใหญ่ถึงสาสาคนคอยเที่ยวดูแลร่วมกันทางานบุญ คือบุ ญ, ญกรรมแบบนี้เป็นประจำนอกจากพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็สร้างศาลาที่สี่แยกขุดสระน้ำทาสะพานตัวหนุ่มมัคคะเองซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทาบุญคือบำเพ็ญประโยชน์อย่างนี้เมื่อได้รับความนับถือเชื่อฟังมากขึ้นก็ได้แนะนำชักชวนชาวบ้านทั้งหลายให้เอเื้อเฟือเผื่อแผ่แบ่งปันกันและละเว้นสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย เช่นสุรายาเสพติดและการพนันจนชาวบ้านอวยทานรักษาศีลกันทั้งหมู่บ้านกลุ่มหนุมนักบุญมีจอบเป็นต้นประจำมือได้ทำหนทางให้ราบเรียบกว้างไกลออกไปเป็นยโยศฝ่ายในบ้านได้เห็นหนุ่มคณะนี้เที่ยวทำงานอย่างนั้นก็ไม่พอใจในบ้านนั้นมองว่าก่อนนั้นเมื่อพวกชาวบ้านยังดื่มสุรา ย, ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เป็นต้น ตนก็มีรายได้จากค่าตุ่มสุราและเก็บสวยเป็นต้นแต่พอชาวบ้านหันมาทําบุญตามหนุ่มมักคะกันรายได้นั้นก็หายไปจึงคิดว่าจะต้องขัดขวางแล้วก็ให้เรียกหนุ่มพวกนั้นมาถามว่าพวกแกเที่ยวทําอะไรกันหนุ่มคณะนักทําบุญตอบว่าทําทางสวรรค์ครับในบ้านบอกว่าพวกแกเนี่ยอยู่บ้านอยู่เรือนไม่ควรทําอย่างนั้น ควรออกไปยิงนกตกปลาล่าเนื้อเอามากินกันและทำสุราดื่มให้สบายใจและจะทำการงานโนนนี้อะไรก็ทำกันไปมักคะกับพวกขัดขานไม่ทำตามคำของในบ้านถึงจะถูกว่ากล่าวซ้ำๆอีกก็ไม่ยอมทำตามในที่สุดในบ้านขัดใจมากคิดว่าจะต้องกำจัดคนพวกนี้ก็เลยไปฟ้องทางการถึงขั้นกราบทูลพระราชาว่า ้าพระองค์เห็นโจรยกพวกพากันไปพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชาตรัสว่าเธอจงไปจับพวกมันมาก็ทำตามรับสั่งนําตัวมักกะกับพวกมาพระราชาไม่ทันได้ทรงพิจรารณาก็รับสั่งลงโทษให้ช้างเหยียบแต่ด้วยอำนาจเมตตาของพวกนักบุญช้างไม่ยอมเหยียบพระราชาทรงดำริว่า ช้างคงเห็นคนมากไม่กล้าเหยียบจึงส่งให้พวกนั้นนอนลงเอาเสื่อลำแพนมาปูคลุมช้างก็ไม่เหยียบพระราชาทรงเอดพระไทยทรงสอบสวนทราบว่าคนเหล่านี้รวมกลุ่มกันทำบุญเช่นเที่ยวดูแลถนนหนทางสร้างศาลาพักตามทางแยกขุดสระน้าสร้างสะพานให้แก่ประชาชนก็ทรงชื่นชมสนับสนุน แทนที่จะถูกลงโทษก็กลับเป็นว่าพระราชาได้พระราชทานในบ้านนั่นแหละให้เป็นคนรับใช้ของนักทาบุญพระราชทานช้างตัวนั้นให้เป็นพาหนะของพวกเขาและส่งมอบหมู่บ้านนั้นให้พวกเขาจัดการใช้ประโยชน์ตามแต่จะสะดวกเป็นสุขนักทำบุญกลุ่มนี้ได้เห็นอนิสงของบุญแล้วแถมได้ช้างมาช่วยงานด้วยก็ผ่องายยิ่งนัก คิดจะทำบุญกันยิ่งขึ้นไปก็ปรึกษางานกันตกลงจะสร้างศาลาพักแบบถาวรที่สี่แยกซึ่งเป็นงานใหญ่ต้องหาช่างมาทำด้วยแต่ที่ทำบุญกันมานี้ยังไม่ได้ให้ส่วนร่วมทำบุญคือปฏิในปฏิทานที่แปลกันสั้นๆว่าให้ส่วนบุญแต่ที่ทำบุญกันมานี้ยังไม่ได้ให้ส่วนร่วมทำบุญแกเหล่าสตรี ถึงตอนนี้เป็นงานบุญใหญ่มากพวกสตรีแม่บ้านก็เข้ามาร่วมทาบุญด้วยเช่นนางสุธรรมมาภริยาคนหนึ่งของมรคะเข้ามาเป็นเจ้างานสร้างศาลาให้ช่างสลักที่ชอบฟ้าเป็นชื่อศาลาว่าสุธรรมมาซึ่งหอประชุมเทพในดาวดึงก็ได้ชื่อว่าสุธรรมสภาหรือสุธรรมมาสภานางสุนันทาให้ขุดสะระบกกรณี นางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้คือบุภารามที่เป็นโรมณีมัคคะมานพถือวัตรบทเจ็ดตลอดชีวิตดังที่ว่าแล้วตัวเขาและเพื่อนักบุญได้ทำกรรมอันเป็นบุญคือเป็นบุญยกรรมหรืองานบุญอย่างนี้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์โดยมัคคะมานพผู้เป็นหัวหน้าได้เป็นเท้าสักกะคือพระอิน เห็นได้ชัดว่าการทำบุญหรืองานบุญหรือบุ ญ, ญกรรมในเรื่องมกขคมานกหรือตานานพระอินนี้เน้นการทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันจัดสรรถิ่นอาศัยให้เป็นโรแมนีรวมกันสร้างสรรคชุมชนให้สงบร่มเย็นให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยที่แต่ละคนก็ทำชีวิตของตนให้ดีงามนี่คือข้าหลักในพุทธพจน์ว่า ชนเหล่าใดปลูกสวนปลูกป่าสร้างสะพานรวมทั้งจัดเรือข้ามฟากจัดที่บริการดื่มน้ำและบึงบ่อสระน้ำให้ที่พักอาศัยบุญของชนเหล่านั้นยอมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลาชนเหล่านั้นผู้ตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้เดินทางสวรรค์จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้า วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบเนื่องจากหลักพระพุทธศาสนาควรเป็นเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนาและรักษาประโยชน์ของสังคมไทยเท่าที่ได้เล่าเรื่องการทาบุญมายืดยาวก็เพราะเป็นเรื่องสำคัญทั้งต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยดังที่ทราบกันดีวัฒนธรรมประเพณีไทยมากลายส่วน เกิดขึ้นจากการนำหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคมไทยเพื่อประโยชน์แก่สังคมไทยการที่จะอนุรักษ์รวมทั้งสืบสารวัฒนธรรมไทยในส่วนเหล่านี้จึงหมายถึงการรู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาที่นำมาใช้ประโยชน์และประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าความรู้เข้าใจเลือนรางไปแล้วประพฤติปฏิบัติผิดเพี้ยนหรือกลายรูปกลายร่างไป นอกจากอาจทำลายพระพุทธศาสนาแล้วแทนที่สังคมไทยจะได้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นเกิดโทษแต่ถ้ารู้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องนอกจากสังคมไทยจะสืบสารประโยชน์ของตนได้แล้วก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยถ้าถือว่าวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสําคัญของสังคมเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นคุณค่าสาระที่แสดงตัวของประเทศ ถ้าถือว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างเข้าถึงทั้งทางพฤติกรรมทางจิตใจและทางความรู้เข้าใจจริงด้วยปัญญาก็จะเป็นทั้งการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่สังคมไทยและช่วยให้สังคมไทยยังได้ประโยชน์ที่พึ่งได้จากพระพุทธศาสนาทั้งนี้ รวมทั้งจะได้ไม่เกิดโทษจากความเข้าใจคับแคบเลือนรางหรือผิดเพี้ยนไปที่พูดตรงนี้หมายความว่าการทำหน้าที่ของรัฐไทยก็ตามของคนไทยก็ตามต่อพระพุทธศาสนาและต่อวัฒนธรรมไทยในความหมายนี้เนื่องอยู่ด้วยกันโดยโยงไปรวมกับการรักษาประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทย พอจะเห็นได้ไม่ยากว่าพระพุทธศาสนาที่สืบมาในวัฒนธรรมไทยนี้จัดแบ่งสังคมชาวพุทธไทยเป็นสองชุมชนใหญ่คือบรรพชิตกับข้ารือหัดหรือพระสงฆ์กับสังคมใหญ่ของชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนานั่นเองชาวพุทธสองชุมชนใหญ่นี้ แม้จะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการแยกต่างหากกันชัดเจนก็มีฐานร่วมกันเป็นที่ตั้งของจุดแยกและมีปลายยอดบรรจบกันโดยประสานกันตลอดในระหว่างบรรพบุรุษไทยถือกันมาในรูปแบบง่ายๆว่าพระสงฆ์หรือชุมชนวัดมุ่งตรงสู่นิพพานเป็นจุดหมายส่วนเขา้าฤหัตหรือประชาชนบ้านมุ่งนิพพานเป็นสุดท้าย โดยหมายสวรรค์เป็นประกันไว้ก่อนภาวะจิตและความเข้าใจอันเป็นสภาพนามธรรมนี้แม้ปรากฏออกมาในวิถีชีวิตก็สืบต่อมาเป็นวัฒนธรรมเกิดเป็นรูปแบบที่แยกกันค่อนข้างชัดเจนในฝ่ายของพระสงฆ์นั้นมุ่งแนวไปในวิถีแห่งนิพพานคือโมคคมรรคส่วนในฝ่ายเขรษหัด คือสังคมของประชาชาวบ้านเน้นหนักในวิถีแห่งสวรรค์คือสักขะมักโดยที่ชาวบ้านนั้นถือการดำเนินในทางแห่งนิพพานเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่จะยกย่องเชิดชูเป็นแต่ละกรณีตรงนี้วัฒนธรรมไทยน่าจะพัฒนาวิถีชาวบ้านขึ้นไปอยู่ในระดับระถมมักแห่งโมฆคมักไม่ควรติดอยู่แค่สักขะมัก วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบมาถึงปัจจุบันถ้ามองให้ดีก็จะเห็นระเบียบที่แยกเป็นสองด้านสองส่วนนี้ซึ่งเห็นได้ในประเพณีการทำบุญต่างๆด้วยแต่ที่จะพูดที่นี้คือเรื่องการทำบุญของมรคมานบหรือในประวัติของพระอินที่เล่ามานั้นแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เลือนรางจางหายและผู้เขียนเองก็แทบไม่ทันเห็นความเป็นไปจึงพูดเรื่องราวได้ ในเชิงสันนิษฐานโดยมีหลักการเป็นฐานอ้างอิงขอพูดรวบรัดย่นย่อว่าตามในยะที่กล่าวมาซึ่งสอดคล้องกับประเพณีไทยอื่นๆ น, น่าจะเป็นว่าในวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เรามีการเทศมหาชาตินั้นเดิมทีคงมีหรือน่าจะได้มีการเทศอีกอย่างหนึ่งเป็นประเพณีคู่เคียงกันมากล่าวคือ การเทศมหาชาติว่าด้วยการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นวิธีแห่งโพธิญาณที่จะบรรลุถึงนิพพานยกเป็นเรื่องของอุดมคติซึ่งพึงพยายามรักษาไว้ให้เห็นความสำคัญอย่างสูงการเทศเรื่องวัตบทเจของพระอินทร์โดยจับสาระที่การทำบุญกรรมของมรรคมนกกับพวกเป็นวิธีแห่งบุญกิริยาของชาวบ้าน หรือประชาชนทั่วไปผู้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมและเรื่องเทวริษพาหิธานุภาพและยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์ที่พูดเชิงสันนิฐานเวนี้เป็นข้อที่ผู้มีชันทะน่าจะสืบค้นกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่สันนิฐานนั้นหรือไม่ก็มีประโยชน์ใหญ่ที่ได้แน่คือดังที่รู้ชัดอยู่แล้วว่า การทำบุญเป็นหลักการใหญ่อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาและการทำบุญก็ได้เข้ามาเป็นทั้งเนื้อหาสาระส่วนสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่ในวัฒนธรรมไทยตลอดมาพร้อมทั้งเป็นหลักการที่ผูกโยงชีวิตไว้ให้ถึงกันกันกบธรรมชาติไม่แปลกแยกไม่ทำร้ายกันดังนั้นจึงน่าจะชวนกันฟื้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบุญ ให้ประชาชนชาวบ้านปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาอันจะช่วยให้วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการทาบุญปรับตัวเข้าในวิธีที่เต็มสาระตามหลักธรรมและเกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมไทยตามที่ควรจะมุ่งหมายพระอวยธรรม ชาวบ้านอ่วยทานสองชุมชนเชื่อมประสานกันด้วยธรรมเมื่อคนมีธรรมคือธรรมะชีวิตก็งามสังคมก็ดีธรรมชาติที่รอบล้อมก็เป็นโรมนีียังไรก็ดีแม้จะมีน้ำใจงามทำบุญบำเพ็ญประโยชน์มากมายอย่างพวกมกคฆานพ ความหมายต่อชีวิตก็ยังเป็นการพัฒนาที่เน้นในระดับกายภาวนาและศีลภาวนาซึ่งยังไม่พอควรก้าวต่อไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาซึ่งในระบบบุญกิริยาของครือหัดเรียกรวมว่าภาวนาแต่ก็คือจิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจกับปัญญาภาวนาคือพัฒนาปัญญานั่นเอง ตามปกติหรือโดยทั่วไปนั้นการศึกษาพัฒนาคนรได้อาศัยครูอาจารย์ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่จะแนะนําให้ความรู้ความเข้าใจที่จะได้สดับฟังเป็นกัลยาณมิตรที่มีโอกาสใกล้ชิดได้ปรึกษาประสงค์เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่มุ่งไปในการพัฒนาจิตปัญญาและเป็นที่หวังเป็นที่นับถือของสังคมว่าเป็นผู้ที่พร้อมและเป็นผู้ทําหน้าที่เป็นครูอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตรอย่างนี้พร้อมกันนั้นพระสงฆ์ซึ่งมีวิถีชีวิตที่อุทิศให้แก่การพัฒนาจิตปัญญากำรงรักษาสืบทอดธรรมะส่งต่อประทีปธรรมแสดงธรรมให้ธรรมแก่ชาวโลกโดยช่วยนำช่วยแนะผู้อื่นในการพัฒนาทุกด้านของภาวนาก็เว้นการสแสวงหาสะสมวัตถุไม่หวังสุขที่พึ่งพาเสพอา mith เมื่อพระสงฆ์อาศัยวัตถุเพียงเล็กน้อยที่จำเป็นต่อชีวิตแต่มีธรรมะมีปัญญาที่จะแนะนำสั่งสอนการที่สังคมรู้เข้าใจกันในเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเป็นประเพณีที่พระสงฆ์ซึ่งไม่สะสมเสพสามรสุกนั้นจะอาศัยปัจจัยสี่พอที่จาเป็นต่อชีวิตจากการจัดถวายด้วยเครื่องหัตชาวบ้านด้วยการเดินไปบิณฑบาตเป็นต้นพร้อมกับที่เหล่าชาวบ้าน ก็หวังจะได้สดับฟังธรรมเกื้อหนุนปัญญาจากพระสงฆ์โดยในยะนี้ในพระพุทธศาสนาตามหลักแห่งพุทธพจน์อัญนโยนยนิสิตตาจึงได้มีประเพณีความสัมพันธ์แบบอาศัยกันที่เขาฤ ห, หัสจัดถวายอมิสทานและพระสงฆ์อำนวยธรรมทานดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่าพวกรามขาห บ, บดีคือชาวบ้านนั้น เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอบำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทะบาศเสนาสนะและหยูกยากเครื่องรักษาผู้เจ็บไข้แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่าพราหมณ์ข้าพอดีชาวบ้านโดยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท้ำกลางงามถึงสุดท้ายประกาศการดำเนินชีวิตประเสริฐพร้อมอัฏฐพร้อมพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ก่พรามข้าหาบดีชาวบ้านเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายาเคาหัดและบรันรพชิตอาศัยซึ่งกันละกันโดยอามิสสานและธรรมทานอยู่ประพฤติชีวิตประเสริฐนี้เพื่อไถ่ถอนห่วงกิเลสที่จะกำจัดทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบดังว่าชนี้ผู้ครองเรือนคือชาวบ้านและผู้ไรเรือนคือพระสงฆ์ ทั้งสองฝ่ายอัญโยนยานิสิตาคืออาศัยกันและกันยอมสมริสัตยธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกรัฐอย่างยอดเยี่ยมบรรพชิตปรารถนาจากขรือหัดแค่จีวรบินทบาตหยูกยาที่นั่งที่นอนพอเป็นเครื่องบรรเทาความขัดข้องส่วนเ่าผู้อยู่ครองเรือนเป็นข้ารือหัดอาศัยพระที่ปฏิบัติดีมีธรรมศรัทธามุ่งต่อพระอรหันต์เพ่งพินิจ ด, ด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนานี้ที่เป็นทางไปสุขติเมื่ อ, อย่างใครกามมีความเพลิดเพลินก็บันเทิงในโลกของเทพจากพระไตรปิฎกเล่มที่25หเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระศาสนานั้นพระองค์และพระสงฆ์ไม่ได้มีวิหารหรือกุฏิที่อยู่อาศัย แต่พักตามรูปขมูลคือโคนไม้ตลอดจนที่โล่งแจ้งและลอมฟงังเมื่อมีผู้เลื่อมใสด้วยาศรัทธาซาบซึ้งใจในอากัปกิริยาและสมณกิจแห่งธรรมทานอันแสดงถึงความเป็นภาวิตรสี่ด้านทั้งภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตและภาวิตปัญญาและเข้ามาขอสร้างวิหารคือกุติถวายพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงอนุ ญ, ญาตให้พระสงฆ์รับวิหารทานมีกุฏิที่พักอาศัยจนได้กลายเป็นวัดวาอารามและมีพุทธพจน์รัตอนุโมธนาเป็นหลักไว้ดังนี้อันที่อยู่อาศัยย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูเหลือบยุงและฝนยามยเยือกอันหนึง่งลมแรงและแดดกล้าเกิดมีมา ก, ก็กันได้ การสร้างที่อยู่อาศัยถวายคือวิหารทานหรือสร้างกุฏิสร้างวัดแก่สงเพื่อเป็นที่พำนักเพื่อความสุขเพื่อฌานและเพื่อวิปัสสนาพระพุทธทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นฐานอันเลิศเพราะเหตุฉะนั้นบัณฑิตชนเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตนจึงควรสร้างที่พักอาศัยอันรื่นรมและให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรเข้าอยู่อาศัย อันหนึ่งพึงจัดถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินยัยพระภิกษุเหล่านั้นยอมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจชัดแล้วหมดสิ้นกิเลส ท, ที่หมักหมมใจก็หายทุกข์ร้อนสงบเย็นได้ตั้งแต่ในโลกนี้จากวิัยปิดกเล่มที่เจ็ เรื่องราวที่เล่ามาช่วยให้เห็นบรรยากาศของชีวิตและสังคมแบบพุทธิกะซึ่งมีฐานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นโรมันีอันเอื้อให้คนพัฒนาชีวิตด้วยกายภาวนาและพากันทำบุญกิริยาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่คนพัฒนาการอยู่ร่วมกันด้วยศีลภาวนาครั้นมีชุมชนดีมีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไปในทางจิตใจและปัญญาด้วยจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนาเมื่อมีพระสงฆ์รู้ธรรมเป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ความกระจ่างตนเองรู้จักมนสิการก็ก้กาวไปในการพัฒนาชีวิตด้วยภาวนาทั้งสีลุถึงความจริงความดีความงามความสุขที่แท้จริง หัวข้อหลักที่สพัฒนาคนจนกว่าเป็นภาวิศีร่วมจัดทาโดยคุณยายแหลมสีกงพานกลิษนาพาโลประกรณ์และครอบครัวหยองเอ็นพัฒนาคนจนกว่าเป็นภาวิศีมนุษย์มีความพิเศษในข้อว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้ โดยฝึกตนได้และฝึกได้อย่างวิเศษมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วคนที่ฝึกศึกษาพัฒนาแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้เลิศสูงสุดการฝึกตนของมนุษย์นั้นดําเนินไปเป็นกระบวนการพัฒนาสีด้านเรียกว่าภาวนาสีคือหนึ่งกายภาวนาพัฒนากายคือพัฒนาเบญจทวารกาย ในการสื่อสารสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 2. ศีลภาวนาพัฒนาศีลคือพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคม 3. จิตตะภาวนาพัฒนาจิตใจคือพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงดีงามมีความสุข สีปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาคือพัฒนาปัญญาให้เข้าถึงความจริงหลุดพ้นเป็นอิสระการพัฒนาตนของต่างคนดาเนินไปในสภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายปฏิบัติการในการพัฒนาตนของต่างคนจึงไม่เหมือนกันว่าโดยหลักใหญ่ ท่านจัดวางปฏิบัติการในการพัฒนาคนนั้นโดยแยกตามสภาพชีวิตและสังคมสองพวกเป็นสองระบบใหญ่คือ 1. ไตรพิษบุญกิริยาคือบุญกิริยาสาสำหรับผู้ครองเรือนชาวบ้าน 2. ไตรศิษขาศิษขาหรือศึกษาสาสำหรับผู้ละเรือนประสงค์ ระบบทั้งสองนี้มีสาระอันเดียวกันเป็นระบบใหญ่แห่งการพัฒนามนุษย์ตามสภาวะของธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวแต่มีแง่ด้านขั้นตอนย่อยแตกต่างกันตามสภาพชีวิตที่ว่าพวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุและกิจกรรมทางกายมากอีกพวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับจิตปัญญามากพวกหนึ่งเน้นด้านรู ป, ปธรรมอีกพวกหนึ่ง เน้นด้านนามธรรมดังจะเห็นได้ในสาระสาคัญของระบบทั้งสองนั้นดังนี้ระบบของชาวบ้านคือบุญกิริยาสามได้แก่ทานให้ปันศีลคือมั่นวินัยไม่เบียดเบียนและภาวนาซึ่งแบ่งเป็นสองคือหนึ่งจิตตะภาวนาพัฒนาจิตใจ และ 2. ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเอาการเอื้ออำนวยวัตถุมนํำให้คนมีศีลได้ง่ายขึ้นที่จะอยู่ร่วมสังคมโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันให้สังคมเป็นสภาพที่เอื้อเกื้อกูลแก่ทุกบุคคลที่จะได้พัฒนาชีวิตของตนทั้งทางจิตใจและปัญญาระบบของพระสงฆ์ หรือศิกขาสามได้แก่ศีลคืออยู่ในวินัยสมาธิหรือจิตคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาคือการพัฒนาปัญญาโดยมีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุน้อยชาวบ้านเลี้ยงง่ายพระสงค์ตั้งอยู่ในวินัยที่จัดสภาพชีวิตให้อุทิศตนแก่การพัฒนาจิตและปัญญา และนำธรรมะที่รู้ที่ลุกมาบอกให้สังคมชาวบ้านพัฒนาในบุญกิริยาการปฏิบัติในสองระบบนั้นแม้จะต่างกันตามวิถีชีวิตวิถีสังคมแต่เมื่อดำเนินไปอย่างถูกต้องก็จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนามนุษย์สี่ด้านที่เรียกว่าภาวนาสีให้เดินหน้าไปดังที่ท่านใช้ภาวนาสีนั้น เป็นเครื่องตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติของการศึกษาทั้งหมดโดยมีคำอธิบายพอได้สาระต่อไปนี้พัฒนาทางกายมีใช่ดูแค่กายเติบโตมีกำลังแข็งแรงการพัฒนาข้อที่หนึ่งกายภาวนาพัฒนากาย หมายถึงพัฒนาเบญจทวารกายแปลว่าพัฒนาตัวคนซึ่งเป็นที่รวมของพัสสาทวารคือช่องทางรับรู้ห้าประตูมีจากขุทวารไปจนถึงกายทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้ใช้ช่องทางเหล่านั้นติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับโลกแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลดี ให้เกิดความเจริญงอกงามที่เป็นฐานเป็นต้นทางของการพัฒนาชีวิตในด้านอื่นๆทั้งหมดบรรดาสัตว์ที่เก่งกาจในโลกก็โดยอินทรีย์ที่เหนือกันไม่ใช่แค่มีร่างกายใหญ่มีกำลังมากอย่างเดียวอย่างสัตว์เล็กๆ เ, เช่นมดมแมลงวันที่มีจมูกไว้ยิ่งตอกลิน่นนกอินทรีย์เหยี่วแรงที่มองเห็นฉับไวและแสนไกลเป็นต้น แม้ในหมู่มนุษย์ในทุกการงานอาชีพอย่างแพทย์นักรบนักกีฬาที่พัฒนากายนั้นก็มีใช่แค่แข็งแรงใหญ่โตแต่ต้องฝึกเป็นจัวารพัฒนาอินทรียวิสัยให้อินทรีห้ารับรู้ได้ถนัดจัดเจนคล่องไวละเอียดเฉียบคมแม่นยำชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, ย ข, นขยายวิสัยของอินทรีออกไปจึงจะไปดีได้ แต่แค่นั้นยังไม่พอบางทีรับรู้แล้วตกเป็นาธาตุของสิ่งที่รับรู้หรือเป็นาธาตุความรู้สึกของตัวเองท่านจึงให้พัฒนาเบญจทวารกายนี้ด้วยอินทรียสังวรคือฝึกให้รู้จักใช้อินทรียดูฟังสูดดมลิ้มรสสัมผัสจับต้องโดยไม่ติดอยู่แค่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจได้แค่เพลิดเพลินติดหลงมัวเมา หรือขัดเคืองขุนมัวแต่ดูฟังเป็นต้นนั้นยังมีสติได้เรียนรู้ได้ปัญญาและเพิ่มผูนกุศลธรรมเช่นเกิดความสดชื่นเบิกบานสงบใจมีความสุขเกิดความรักด้วยเมตตามีไมตรีอยากช่วยเหลือกันเกิดชันทะไฟรู้อยากทำการสร้างสรรพูดสั้นๆว่ารับรู้โดยไม่ติดอยู่แค่ตัณหา แต่เดินหน้าไปกับชันธาในขั้นพื้นฐานการฝึกอินทรีย์เริ่มได้ด้วยการพบเห็นได้ยินและอยู่ในสภาพโรมณนีนอกจากไปหาสิ่งแวดล้อมโรมณนีในโลกของธรรมชาติแล้วก็รู้จักจัดสรรวัดวาอารามถิ่นฐานบ้านเรือนให้รื่นรมดังธรรมเนียมการทำกิจวัตรของพระสงฆ์ในการกวาดลานวัดที่มีใบไม้ร่วงหล่น ตลอดจนเศษของที่คนทิ้งเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสงบงามทุกคนควรร่วมกันดูแลรักษาตั้งแต่พื้นดินผืนน้ำถนนหนทางหมู่ไม้ขึ้นไปจนถึงแผ่นฟ้าให้สะอาดเรียบร้อยงดงามสงบร่มรื่นเป็นรมณีที่ชื่นกายชูใจให้ได้ยต์ได้ยินสัมผัสแล้วโน้มนำใจให้น้องไปนในกุศ ล, ลธรรม เช่นสดชื่นผ่องใสสงบอ่อนโยนเป็นที่อบอ้อมอันเอื้อต่อการอยู่ดีโดยมีการพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปการพัฒนาข้อแรกในกายภาวนาจับที่เจตนาในการปฏิบัติจัดการและการมีท่าทีต่อสิ่งที่ผ่านการรับรู้เข้ามาหรือเข้ามาถึงการสัมผัสรับรูบร้ พูดสั้นๆว่าในภาครับเช่นเมื่อกินเสพอาหารก็กินเสพรับรถด้วยความรู้เข้าใจเท่าทันมุ่งให้ได้คุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตที่จะช่วยให้ร่างกายอยู่ในสุขภาวะมีกำลังที่จะทำกิจหน้าที่และความดีงามสร้างสรรค์และกินพอดีไม่ติดหลงมัวเมาไม่มุ่งหาแค่รสชาติหรือกินเสพเกินประมาณ จนเป็นการทำร้ายตนเองพูดรวมความว่ากินเสพใช้สอยบริโภควัตถุอย่างเข้าถึงคุณค่าที่แท้ของมันให้เกิดประโยชน์สมความมุ่งหมายที่รู้ได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของกายภาวนาแต่ถ้าเป็นเจตนาที่จะไปหาไปเอาไปจัดการให้ได้มาเพื่อจะได้กินได้เสพ อย่างที่ตนอยากได้หรือได้สมดังปรารถนาอันนั้นอยู่ในภาคออกแสดงผลจากข้อกายภาวนาไปอยู่ในข้อที่สองที่จะต้องพัฒนาในขั้นของศีลภาวนาอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อฟังคำสอนคำพูดจาบอกเล่าสนทนา แม้กระทั่งเสียงเพลงเสียงดนตรีถ้าได้ยินแล้วรับฟังอย่างมีสติแล้วได้เรียนรู้ได้ปัญญาหรือเกิดกุศลธรรมเช่นเกิดความเห็นอกเห็นใจเข้าใจเพื่อนมนุษย์เกิดความรักอยากช่วยเหลือหรือได้คติในการดำเนินชีวิตท่านเล่าไว้หลายแห่งในคำพีต่างๆพระภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านบ้างเดินทางไกลผ่านไปบนหนทางบ้าง ได้ยินเสียงสาวเสียงชาวบ้านร้องเพลงต่างๆทำให้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตหลายท่านบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์จากการได้ยินเสียงเพลงนี่ก็อยู่ในเขตของกายภาวนาแต่ถ้ามีข่าวว่าจะมีวงดนตรีมาจัดแสดงที่นั่นภิกษุอยากฟังดนตรีเดินทางไปดูไปฟังอย่างนี้เลยเขตของอินสียสังวรในกายภาวนานี้แล้ว หลายเป็นกรรมผิดที่จะแก้ไขในข้อที่สองคือศีลภาวนาท่านที่มีอินทรีย์ภาวนาพัฒนาด้านนี้จเจริญไปได้จนถึงขั้นว่าจะมองเห็นความงามในสิ่งที่ไม่งามก็ได้จะเห็นความไม่งามในสิ่งที่งามก็ได้คือขั้นพระอรหรันในที่นี้ยังไม่อธิบาย กายภาวนาที่พัฒนาเบญจากทวารกายโดยฝึกอินทรียสังวรพูดง่ายๆว่ารู้จักใช้อินทรีย์ในการรับรู้ดูฟังเป็นต้นไปจนถึงการเสพ บ, บริโภคต่างๆให้กินเป็นเสพพอดีมีความรู้ประมาณในการบริโภคนี้เป็นภาวนาคือการพัฒนาขั้นแรกก็จริงแต่เป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง หมายเหตุในเรื่องนี้เวลาฝึกพูดรวมอยู่ในศีลเป็นอินทรียสังวรศีลและปัญจยะปฏิเซวนาศีลหรือบางทีก็เรียกปัญจยะสนิสิตาศีลสำหรับมวลประชาชนควรเอาใจใส่เน้นภาวนาคือการพัฒนาขั้นนี้ให้มากเพราะนอกจากทำให้มนุษย์มีโลกธรรมชาติที่งดงามรื่นรมน่าชื่นชมแล้ว ตัวมนุษย์เองก็อยู่ดีมีสุขดำเนินชีวิตเป็นตั้งแต่รู้จักกินใช้บริโภควัตถุเป็นต้นไปเป็นการศึกษาพื้นฐานในการเริ่มต้นพัฒนามนุษย์นี่คือที่พูดว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่ดูฟังเป็นหรือย้ำสองชั้นว่าการศึกษาเริ่มต้นคนเริ่มพัฒนาเมื่อกินอยู่ดูฟังเป็น เมื่อมีการพัฒนาในขั้นกายภาวนานี้เป็นฐานแล้วจึงจะก้าวไปนในภาวนาข้อต่อๆไปได้ดีพัฒนาการทางสังคมแสดงออกมาที่ใช้กายวาจาในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์ การพัฒนาข้อที่สองศีลภาวนาพัฒนาศีลและง่ายๆตามนิยมแม้จะไม่ครอบคลุมว่าพัฒนาความประพฤติโดยเน้นพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมให้ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลกันศีลภาวนาต่างจากกายภาวนาตรงที่ว่ากายภาวนาเป็นการพัฒนาที่พัสสทวารคือช่องทางรับรู้ห้าอย่าง ที่เรียกว่าอินสียห้าคือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสซึ่งเป็นภาคเสพส่วนศีลภาวนาเป็นการพัฒนาที่กรรมทวารคือช่องทางทํากรรมสองทางได้แก่กายทวารคือทางกายอันเป็นช่องทางนำกายกรรมเช่นข้าหรือช่วยชีวิตสัตว์ลักของเขาหรือให้ทาน และวจีทวารทางวาจาอันเป็นช่องทางธรมวจีกรรมเช่นพูดเท็จหรือพูดจริงพูดคําหยาบหรือกล่าวคําสุภาพอ่อนหวานเป็นต้นซึ่งพูดรวมๆ ว, ว่าเป็นภาคแสดงคือภาคธรรมกรรมการพัฒนาในศีลภาวนานี้จับที่เจตนาในการปฏิบัติจัดการและแสดงออกต่อตัวรับการกระทําหรือถูกกระทําข้างนอก ซึ่งเป็นเรื่องของการทำกรรมโดยคุ้นกันมากในด้านละหรืองดเว้นคือด้านลบเช่นในศีลห้าซึ่งมีชื่อแท้ว่าสิกขาบทหที่ว่าเว้นปานาติบาตเว้นอาทินนาทานเว้นกาเมสุมิชาจารเว้นมุสาวาตและเว้นสุราเมไรทั้งนี้เพราะเป็นการแก้ไขและคุ้มครองขั้นพื้นฐานของสังคม แต่ในด้านเกื้อกูหนุนเสริมแม้จะไม่พูดถึงบ่อยนักก็ควรตระหนักว่าสำคัญมากสำหรับการพัฒนาคนในขั้นนี้โดยเฉพาะที่เด่นคือสังฆะวัตถุสีอันมีทานการให้แจกจ่ายแบ่งปันปิยาวาจาพูดด้วยใจรักอัตตาจริยาบำเพ็ญประโยชน์และสมานตตาตามีตัวเสมอสมานเช่นร่วมสุขร่วมทุกข์ ในหลักบุญคิริยาวัตถุสิบก็มีศีลด้านบวกที่น่าสนใจเฉพาะอย่างยิ่งวั ย, ยาวัจจะคือการขวนขวายช่วยเหลือรับใช้บริการด้วยน้ำใจดังที่กล่าวมากายภาวนาเป็นการพัฒนาด้านรับรู้เสพเสวยเกี่ยวข้องกับโลกของสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งสันที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวทั่วทั้งหมด สันในที่นี้สะกดด้วยพอพานการันนะครับโดยเน้นหรือเด่นที่ธรรมชาติไม่ว่าชีวโลกอวกาศโลกหรือสังขารโลกที่จะรับรู้เรียนรู้และเสพให้มีผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อกันและเป็นพื้นฐานที่เอื้อเกื้อหนุนแก่การพัฒนาในภาวนาข้ออื่นทั้งหมดจนถึงปัญญาที่อย่างถึงเท่าทันสังขารโลก ส่วนศีลภาวนาเป็นการพัฒนาที่ชัดออกมาทางด้านสังคมในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องถึงตัวกระทบตัวเด่นชัดจึงมีการสั่งสอนเน้นย้ำกันมากมายอยู่แล้วจนกายภาวนาถูกมองข้ามถูกกลบลบหรือลืมไปเสียในที่นี้จึงพูดถึงศีลภาวนาไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ พัฒนาการทางจิตใจดูได้สามด้านสำคัญที่ใช้พัฒนาปัญญาข้อที่สามจิตตะภาวนาพัฒนาจิตใจมีความหมายกว้างๆคลุมๆว่าพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงมีชันทะขยันมันเพียรอดทนมีสติมีสมาธิ จเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณาและสดชื่นเบิกบานผ่องใสมีความสุขจิตตภาวนานี้เป็นการพัฒนาที่มโนทวานซึ่งเป็นจุดรวมที่บรรจบของทวานทั้งสองชุดซึ่งเป็นที่ทำงานของภาวนาสองข้อก่อนที่พูดมาแล้วคือกายภาวนาและศีลภาวนา ขอทวูนว่าในข้อกายภาวนาเราพัฒนาการใช้ผัสสะทวารห้าคือเบญจผัสสะทวารเรียกสั้นว่าเบญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสคือจักขุทวารโสตทวารคานาทวารจิวหาทวารและกายทวารด้วยวิธีฝึกชื่อว่าอินทรียะสังวรคือรู้จักใช้อินทรีย์ ได้แก่ตาหูเป็นต้นนั้นดูฟังอย่างมีสติไม่อยู่แค่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจแต่ให้เป็นการเรียนรู้ได้ปัญญาได้กุศลธรรมคิดสร้างสรร์ต่อมาในข้อศีลภาวนาเราพัฒนาการใช้กรรมทวารสองคือกายทวารทางกายช่องทางทมกายกรรมไอ้ละเว้นกายกรรมชั่วที่เบียดเบียน เช่นค่าฟันทำร้ายละขโมยอันไปทำกายกรรมดีที่เกื้อกูลเช่นช่วยเหลือเสียสละแบ่งปันบำเพ็ญประโยชน์และวจีทวารคือทางวาจาช่องทางทำวจีกรรมให้ละเว้นวจีกรรมชั่วที่เบียดเบียนเช่นพูดเท็จโกหกหลอกลวงส่อเสียดยุยงพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อและทำวจีกรรมดีที่เกื้อกูล เช่นพูดจริงพูดจาสุภาพอ่อนหวานพูดคำสมานสมัครีพูดจามีเหตุผลเหมาะควรแก่การพูดถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ที่จริงนั้นผัสสะทวารมีหแต่ในข้อหนึ่งกายภาวนาจบแค่ผัสสะทวารที่หเพราะผัสสะทวารที่หมาอยู่ในข้อสคือจิตตาภาวนานี้ ได้แก่มนโนทวารที่จริงอีกเช่นกันกรรมทวานมีสามแต่ในข้อสองศีลภาวนาจบแค่กรรมทวารที่สองเพราะกรรมทวารที่สามมาอยู่ในข้อสามคือจิตตภาวนานี้ได้แก่มนโนทวารอีกเหมือนกันดูอีกทีครบทั้งสองชุดเทียบกัน พัสสะทวานหกจกขุทวานโสตทวานขานาทวานจิวหาทวานกายทวานมโนทวานกรรมทวานสามได้แก่กายทวานวจีทวานมโนทวานมโนทวานพูดง่ายๆว่าใจเป็นที่บรรจบของทวานทั้งสองชุดนั้น คือในชุดแรกผัสสะทวารที่เป็นภาครับภาคเสพมโนโทวานอยู่สุดท้ายปลายทางเมื่อรับรู้ทางตาก็ตามทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็ตามข้อมูลสิ่งที่รับรู้ก็ไปลงไปรวมรู้ที่มโนโทวานแม้แต่ในขณะที่กําลังรับรู้การเลือกที่จะรับไม่รับการมีท่าทีอย่างไร จะปฏิบัติจัด ก, การเอาอย่างไรกับสิ่งที่รับรู้นั้นก็เป็นการทำงานที่มนโนทวานคือที่ใจออกไปจากใจเป็นมโนกรรมในชุดหลังในชุดหลังกรรมทวานที่เป็นภาคแสดงเป็นชุดทำงานเป็นช่องทางทำกรรมนั้นมนโนทวารมีชื่อเป็นข้อสุดท้ายแต่ที่จริงเป็นตัวเริ่มงาน ที่มนโนทวานนี้คนทำมนโนกรรมกรรมทางใจคือคิดแล้วทำตามที่คิดโดยใช้กายทวานทำการต่างๆด้วยกายหรือแสดงออกทางร่างกายยืนเดินว่ายน้ำทุบตีอุ้มกอดแย่งเอายกให้เป็นต้นเรียกรวมว่ากายกรรมคือกรรมทางกายหรือใช้วจีทวาน ทำการด้วยวาจาหรือแสดงออกทางวาจาพูดดีพูดร้ายพูดจริงพูดเท็จเป็นต้นเรียกรวมว่าวจีกรรมหรือกรรมทางวาจารวมเป็นการทำกรรมสามทคือกายกรรมพูดคือวจีกรรมคิดคือมนโนกรรมรวมเป็นการทำกรรมสามทางกรรมทวารสาม คือกายทวารวจีทวารและมนโนทวารดังที่ว่าแล้วแต่ตัวการริเริ่มตัวการแกรนงานอยู่ที่มนโนทวารพึงสังเกตว่าดังได้บอกข้างต้นในภากรับทางจักขุ ค, คือทางตาทางโสตคือทางหูเป็นต้นนั้นแม้จะรับรู้ด้วยตาด้วยหูเป็นต้นเหล่านั้น แต่การที่จะเลือกรับข้อมูลสิ่งเราอารมณ์อันใดหรือไม่จะมีท่าทีอย่างไรจะเอาอย่างไรจะจัดการข้อมูลนั้นอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่มนโนทวานคือที่ใจดังนั้นในภาครับผัสทวานห้าอย่างแรกจึงทำหน้าที่แค่เป็นทางรับรู้เท่านั้นไม่มีการทำกรรมที่ทวานเหล่านั้นเช่นไม่มีกรรมทางตา แต่กรรมที่ทำในการรับรู้นั้นทำที่ใจที่มโนทวารเป็นมโนกรรมมีแค่มโนกรรมเป็นอันว่ามโนทวานนอกจากมีอยู่ในทวารทั้งสองชุดคือทั้งในภัสสทวารหและในกรรมทวารสามแล้วยังเป็นที่ทํางานสาคัญที่สุดเป็นแกนเป็นศูนย์กลางการทำงานของทวารชุดนั้นๆด้วย ยิ่งกว่านั้นยังได้บอกข้างต้นว่ามโนทวานเป็นจุดรวมที่บรรจบของทวานทั้งสองชุดเชื่อมประสานการทํางานของทวานทั้งสองชุดให้ต่อกันเป็นระบบอันเดียวรวมเข้าเป็นวงจรเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆตาหูรับรู้โดยเห็นได้ยินแล้วข้อมูลไปที่มโนทวาน เกิดความรู้สึกว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจแล้วที่มนโนทวาร น, นั้นมีการคิดเป็นมนโนกรรมที่จะทำการตอบสนองด้วยการใช้กายทวารทำกายกรรมหรือใช้วจีทวารทำวจีกรรมต่อตัวเรานั้ น, น, นในทางบวกหรือในทางลบตามความต้องการที่คิดและสั่งด้วยมนโนกรรมออกมาจากมนโนทวาร แล้วทีนี้บางทีต้องการข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมบางอย่างจากพัสสะทวานมนโนกรรมทางมนโนทวานก็ให้พัสสะทวานเช่นตาหูรับรู้ข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้คิดการด้วยมนโนกรรมแล้วแสดงออกปฏิบัติจัดการด้วยกายกรรมทางกายทวานและหรือด้วยวจีกรรมทางวจีทวานเป็นต้น เป็นอันว่าทั้งภาษาทวารและกรรมทวารประสานเชื่อมต่อส่งต่องานที่มโนทวารสืบเนื่องเป็นระบบเป็นกระบวนการเป็นวงจรเดียวกันทีนี้ที่มโนทวานนั้นตัวการที่เป็นเจ้าของเรื่องเป็นตัวรับรู้รวบรวมข้อมูลเป็นต้นเป็นเจ้าของความต้องการและเอาข้อมูลมาใช้เลือกสรรปฏิบัติจัดการ สนองความต้องการโดยท ร, รมโนกรรมคือการคิดที่เป็นต้นทางต่อไปสู่การทํากายกรรมและวจีกรรมรวมทั้งใช้ภัษาทวารสนองความต้องการของตัวสภาวะที่เป็นตัวการนั้นเรียกว่าจิตในการใช้พูดกันตามปกติหรือในภาษาสามัญจิตอย่างที่เราพูดว่าจิตใจ เป็นคำพูดรวมๆหมายถึงสภาวะที่รู้ที่คิดพร้อมทั้งคุณสมบัติองค์ประกอบอาการเป็นไ ป, ประบบและกระบวนการทำงานทั้งหมดของมันขอย้ำความสำคัญที่พูดไปแล้วว่าจิตใช้มโนทวานเป็นช่องทางทำมโนกรรม และไม่เพียงคิดอยู่ในมโนทวารเท่านั้นยังใช้ภาษาทวารทั้งห้าสนองมโนกรรมของมันด้วยและเมื่อริเริ่มมโนกรรมขึ้นแล้วก็ขยายงานประสานต่อกับกายกรรมทางกายทวารและวจีกรรมทางวจีทวารด้วยบรรดาคุณสมบัติและองค์ประกอบที่มากมายของจิตใจนั้น ในที่นี้ควรรู้จักตัวที่สำคัญยิ่งไว้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจสักสองสามอย่างตัวแรกคือเจตนาได้แก่ความตั้งใจหรือเจตจำนงที่มุ่งว่าจะเอาอะไรจะทำอะไรอย่างไรจะให้เป็นอย่างไรเป็นต้นมันสาคัญนักเพราะเป็นตัวทากรรมที่เกิดเป็นมโนกรรมแล้วก็วจีกรรมและกายกรรมทุกอย่าง เราจะให้กรรมเหล่านั้นร้ายหรือดีอย่างไรก็จัดการที่เจตนานี่เองแม้กระทั่งตัดสินคนได้ด้วยเจตนาของเขาทีนี้เจตนาที่เป็นตัวก่อการเป็นกรรมขึ้นมานั้นก็โดยที่ว่ามันเป็นเจ้าการที่เลือกตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้นำเป็นหัวหน้ากระบวนพาตัวประกอบทั้งหมดมุ่งไปทําการนั้นนั้นและในการนี้ มันจะเอาอย่างไรจะเลือกทางไหนอย่างใดจะทำการดีหรือทำการร้ายเป็นกรรมดีหรือเป็นกรรมชั่วก็อยู่ที่ว่ามันเข้าข้างหรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของคุณสมบัติอันไหนพวกไหนพวกร้ายหรือพวกดีที่มีอยู่มากมายในจิตใจนั่นเองตัวอย่างสาคัญถ้าเจตนามั่วสุมอยู่กับโลภะกับโทสะกับโมหะ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของตัวร้ายพวกนี้เจตนาก็ก่อการร้ายทากรรมชั่วแต่ถ้าเจตนาเลือกอยู่กับเมตตากรุณาอยู่กับความมีใจเผื่อแผ่สละให้คือจาคะอยู่กับปัญญามันก็พาไปทำกรรมดีงามที่ฉลาที่สร้างสรรเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการพัฒนาจิตใจ คือจิตตะภาวนานี้โดยฝึกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีงามเป็นคุณประโยชน์ขึ้นมาและทำให้เข้มข้นแข็งแรงพร้อมกับลดละกำจัดกิเลสโทษทั้งหลายตั้งต้นแต่โลภะโทสะโมหะหรือตัณหาคือความอยากเอาอยากได้ให้แก่ตัวมานะความอยากให้ตัวเป็นใหญ่กดข่มผู้อื่นทิฏฐิ ความติดตังถือรันเอาแต่ความเห็นความเชื่อของตัวจนถึงโกสัจฉะความเกียรคร้านอิ ส, สาคือความริษยามชาัชฌริยะความตรณีห่วงแหนกิดกันให้เบาบางหมดหายไปจิตใจที่พัฒนาขึ้นในจิตตภาวนานี้เมื่อกิเลสโทษลดน้อยลงไปและมีคุณสมบัติเพิ่มพูนขึ้น จะปรากฏคุณลักษณะสามด้านชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นคือด้านหนึ่งมีความเจริญงอกงามในคุณธรรมเช่นศรัทธาฮิริอตต ป, ปะเมตตากรุณาจาคะเป็นคุณภาพจิตอีกด้านหนึ่งก็มีความเข้มแข็งมั่นคงอยู่ตัวจิตแนวใจนิ่งก้าวแนวไปในกุศลธรรมไม่ถดถอยไม่วอกแวกไม่วันไหว เป็นสมรรถภาพจิตและอีกด้านหนึ่งมีความสงบความเบิกบานเอิบอิ่มสดชื่นผ่องใสเป็นสุขเป็นสุขภาพจิตสมาธิสำคัญชไหนะจึงเรียกชื่อเป็นตัวแทนของการพัฒนาจิตใจ ทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญในการพัฒนาคุณสมบัติความดีงามในจิตใจที่มีมากมายนั้นมีคุณสมบัติตัวเอกที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักเป็นแกนเป็นที่ตั้งให้แก่คุณสมบัติอื่นทั้งหมดคุณสมบัตินี้เรียกว่าสมาธิแปลกันว่าความตั้งมั่นคือภาวะที่จิตอยู่ตัวไม่มีอะไรรบกวนให้ฟุ้งซ่านวุ่นวาย หรือทำให้ขุนมัวได้เป็นตัวของมันเองอยู่กับงานกับเรื่องที่จะทำการหรืออยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการได้ที่โดยพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจิตนั้นเป็นกรรมณีคือควรแก่งานเหมาะที่จะใช้การเฉพาะอย่างยิ่งงานของปัญญา จิตที่เป็นสมาธินั้นสงบนิ่งอยู่ตัวได้ที่เหมือนน้ำในที่เก็บกักหรือภาชนะที่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีใครเขยา่าหรือกระแทกกระทุ่มกระทันสั่นไหวไม่กระเพื่อมเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่านไม่กระวนกระวายมีความสุขอยู่ในตัวเองจิตเป็นสมาธิซึ่งสงบนิ่งอยู่ตัวนั้น เมื่อน้ำที่เมื่อสงบนิ่งก็จะใสเพราะเศษผงฝุ่นสิ่งป่าปนที่เปะปะเลื่อนลอยหลยขึ้นลงเควงคว้างบั่งทางโน้นบังทาง น, น, างางนี้ตกตะกอนลงนอนก้นหมดไม่มีอะไรกั้นบงังมีอะไรจิตในนั้นก็มองเห็นได้ชัดเจนและเก็บกวาดกำจัดล้างได้ง่ายทีเดียวหมดจิตที่เป็นสมาธิแนวอยู่แนวไปกับสิ่งเดียวที่ต้องการ จะมีกำลังแรงเหมือนสายธารกระแสน้ำที่ไหลไปทางเดียวไม่แตกพร่ามีกำลังแรงมากสามารถกำจัดหรือผ่านทะลุสิ่งกีดขวางไปได้หมดจึงเอาชนะสิ่งชั่วร้ายล่อเราได้สิน้นและทาการที่มุ่งหมายให้สําเร็จโดยไม่ยากในงานลดละอกุศลธรรมก่อเกิดพัฒนากุศลธรรม จนถึงปัญญาที่เป็นสุดยอดนั้นสมาธิมีคุณสมบัติตัวเอกที่ร่วมช่วยงานสองอย่างคือวิริยะความเพียรวิริยะคือวีระหมายถึงแก้วกล้าก้าวหน้าไปไ ม, ม่ระยอมีฉันทะทช่วยเริ่มงานให้และสติความระลึกนึกได้ไม่เผลอคุมใจไว้กับกิจ กุมจิตไว้ที่เป้าหมายไม่พลาดเมื่อจิตมีคุณภาพควรแก่งานอย่างนี้ก็พร้อมที่จะพัฒนาบรรดาคุณสมบัติจนถึงปัญญาขึ้นได้จิตตาภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจโดยพัฒนาสมาธิเป็นคุณสมบัติหลักหรือเป็นแกนงานดังว่ามานี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมถภาวนา สมถะคือความสงบเป็นไวยพ์คำหนึ่งของสมาธิเมื่อพัฒนาจิตใจถูกต้องโดยมีสมาธิที่พัฒนาขึ้นอย่างได้ผลจริงก็จะมีคุณสมบัติสามด้านที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณภาพจิตสมถภาพจิตและสุขภาพจิตพัฒนาขึ้นมาด้วยดังได้กล่าวแล้ว จิตตภาวนานี้แม้จะมีรายละเอียดอีกมากแต่รวมแล้วก็มุ่งให้เป็นฐานของปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาและในการก้าวสู่ปัญญานั้นมีธรรมะบางอย่างที่ควรเน้นซึ่งขอกล่าวไว้ในที่นี้คือฉันทะความพอใจความอยากความปรารถนาเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังพุทธพจน์ว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมมาแปลว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหรือแปลให้เป็นไทยมากขึ้นว่าธรรมะทั้งปวงมีความต้องการเป็นต้นกำเนิดหรือว่ามีความอยากเป็นที่ตั้งต้นแต่ก็ต้องทราบว่าฉันทะนั้นมีสองอย่าง คือฉันทะที่เป็นอกุศลซึ่งนิยมเรียกแยกออกไปว่าตันหากับฉันทะที่เป็นกุศลเป็นธรรมะฉันทะเรียกสั้นๆว่าฉันทะพูดง่ายๆจึงว่าปวงธรรมะฝ่ายร้ายฝ่ายอากุศลตั้งต้นจากตันหาส่วนปวงธรรมะฝ่ายดีฝ่ายกุศลตั้งต้น จากชันทะพูดให้ง่ายว่าตัณหาเป็นความอยากเพื่ออัตตาคือเพื่อตัว ต, วตนที่ยึดถือขึ้นมาเกิดเป็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นให้แก่ตัวตนนั้นส่วนชันทะเป็นความอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆของคนสัตว์นั้นๆคืออยากให้สิ่งให้คนสัตว์นั้นๆ และอยากทำให้สิ่งให้คนสัตว์นั้นๆเข้าถึงหรืออยู่ในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยมเยี่ยมยอดของเขาของมันนั้นๆโดยไม่มีอัตตาตัวตนตัวกูเกี่ยวข้องดังเช่นในสภาพโรมนีผู้มีชันทะอย่างอาริยชนเดินผ่านไปได้เห็นดอกไม้งามสะพรัง่งมีสีสันสดสวย ก็มีใจรื่นโรมชื่นชมอยากให้มันอยู่ดีงดงามจนเต็มสภาวะของมันไม่มีพฤติกรรมสนองตันหาที่จะหักรานหรือเด็ดเอามาให้แก่ตัวตนตันหาพึงละโดยไม่ให้มันเกิดขึ้นส่วนชันทะพึงละด้วยการทำให้สำเร็จตามที่ต้องการหรือตามที่อยากที่ปรารถนานั้นจึงแปลสั้นๆว่า ความอยากทำในวงเล็บให้มันดีให้มันงามเต็มสภาวะของมันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องแยกให้ได้ระหว่างความอยากที่เป็นตัญหากับความอยากที่เป็นชันทะแล้วก็ตั้งชันทะขึ้นมาเริ่มต้นพัฒนาไปจนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์ลุวิมุตหลุดพ้นเป็นอิสระ โดยที่ว่าระหว่างนั้นก็พัฒนาคุณสมบัติทั้งหลายเช่นให้ฉันทะสัแดงออกมาเป็นเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่เรียกว่าพรหมมิหารสีตามควรแก่สถานการณ์นั้นๆธรรมะที่ควรเน้นอีกสำหรับจิตตาวนาก็คือศรัท ธ, ธา เป็นตัวเชื่อมต่อกับปัจจัยภายนอกเฉพาะอย่างยิ่งกัลยาณมิตรโดยมีข้อกำกับว่าให้ประกอบด้วยปัญญาหรือมีการใช้ปัญญาและนำไปสู่ปัญญาธรรมะชุดหนึ่งก็สำคัญนักพระพุทธเจ้าตรัสบ่อยมากมีหข้อใช้วัดผลหรือตรวจสอบการพัฒนาหรือที่เรียกคลุมคลุมเป็นการปฏิบัติธรรม ว่าก้าวหน้าไปด้วยดีหรือไม่ได้แก่สภาพจิตที่เกิดขึ้นตามกันจนถึงสมาธิรวมเป็นห้าอย่างได้แก่ปราโมท ร, ร่าเริงสดชื่นเบิกบานปีติอิ่มใจปลื้มใจปัสสธิสงบเย็นผ่อนคลายสุขช่ำชื่นรื่นคล่องใจแล้วก็สมาธิ จิตมั่นแน่วอยู่ตัวได้ที่สมาธิเป็นตัวปิดท้ายจิตตภาวนาที่จะให้จิตพร้อมสำหรับการพัฒนาปัญญาแต่เบื้องต้นควรจับตัวแรกไว้ให้ได้คือปราโมทซึ่งควรจะให้เกิดขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆเสมอๆจนกระทั่งให้มีอยู่ประจำเป็นพื้นใจทีเดียวจะพาก้าวหน้าในภาวนา หรือในการพัฒนาได้อย่างดีดังพุทธดารัสว่าตตโตปามวชฉพาหุโลทุกขสันตังกริสติแปลว่าแต่นั้นเธอผู้มากด้วยปราโมทจะทำทุกข์ให้สุดสิน้น ปัญญามาปัญหาหายทุกมาลายมีสุขในอิสรภาพข้อที่สปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาให้ความหมายอย่างกว้างๆคลุมๆว่าคือการพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันโลกและชีวิต เห็นแจ้งชัดสรรพสังขารตามสภาวะสามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งอยู่ในจิตแต่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญยวดยิ่งและมีลักษณะพิเศษยิ่งใหญ่ที่ต่างจากคุณสมบัติอย่างอื่นทั้งหมด มีระบบและกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างต้องแยกออกมาตั้งเป็นข้อใหญ่ต่างหากและเป็นส่วนยอดสุดปัญญาสำคัญแค่ไหนมีพุทธดารัสว่าปัญญุตราสะเพ ธ, ธรรมมาธรรมะทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งด้วยปัญญาจึงรู้จุดหมายที่พุทธธรรมบอกให้ ถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระคุณสมบัติอย่างอื่นของจิตแม้ที่สุดปราณีตก็ยังติดอยู่กับจิตยังอยู่ในข้างของความรู้สึกเมื่อขาดปัญญาไม่รู้ความจริงจิตจะเก่งดีมีคุณสมบัติอื่นแค่ไหนก็อยู่แค่ระดับรู้สึกชีวิตของตัวและโลกที่ตัวอยู่อาศัยเป็นไปต่างๆ ถ้าถูกใจก็ชอบใจเป็นสุขถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วแต่มันขึ้นต่อมันแต่พอมีปัญญารู้จักตัวเองรู้จักโลกเข้าถึงความจริงของมันแล้วก็ปฏิบัติจัดการโลกและชีวิตได้จัดปรับแก้ไขวางจิตของตัวให้เข้าที่ถูกทางกระทั่งเป็นอิสระได้ ปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยแก้ไขทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระเรื่อยขึ้นไปในทุกขั้นตั้งแต่ขั้นกายภาวนาในระดับของการรับรู้ทางภาษาทวารมองเห็นได้ยินเป็นต้นแล้วไม่ติดกับดักของความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจปัญญาพาขึ้นเหนือความชอบใจไม่ชอบใจไปเป็นการเรียนรู้แก้ไขความรู้สึกขัดเคืองให้กลายเป็นความเข้าใจ สงสารเห็นใจได้พบเรื่องร้ายมองเห็นมุมดีหรือแง่ที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปในขั้นศีลภาวนาเมื่อพฤติกรรมติดขัดติดตันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพอปัญญาเกิดขึ้นมาก็ปลดปล่อยพฤติกรรมให้มีทางออกที่จะเดินหน้าและทำอะไรอะไรได้สำเร็จ แม้ในขั้นจิตตะภาวนาจิตใจถูกบีบคั้นด้วยปัญหาหาทางออกไม่ได้ถูกกดถูกอัดด้วยความทุกข์แต่พอปัญญามาหรือปัญญาเกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจับเหตุของทุกข์ได้มองเห็นทางแก้ไขปัญญามาปัญหาก็หมดทุกข์ก็หายไปหลุดพ้นไปได้เป็นอิสระมีความสุขที่แท้ในอิสรภาพ ตัวจริงของพุทธธรรมอยู่ที่ปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปได้จนเป็นโพธิที่มักเรียกกันยาวหน่อยว่าโพธิญาณซึ่งทำให้เป็นพุทธะผู้รู้ทั่วตลอดระบบจบกระบวนของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ปัญญาใช้จิตสมาธิเป็นที่ทำงานโดยการร่วมมือของสติสติเหมือนนายประตูที่กักที่กั้น หรือจับคนที่ผ่านจะเข้าผ่านจะออกไว้ให้ปัญญาพินิจตรวจตราจนรู้แน่ชัดว่าใครเป็นใครวินิจฉัยได้ว่าต้องจับไว้หรือปล่อยผ่านไปได้หรือเหมือนมือที่จับที่ดึงวัตถุที่ประสงค์ไว้ให้ดวงตาคือปัญญาได้ตรวจพิจารณาดูเห็นให้รู้ชัดเจนตลอดทั่ว โยนิโสมนสิการทำในใจหรือมนสิการโดยแยกายเป็นเครื่องมือจัดแจงจิตใจหรือเดินจิตในทางที่ช่วยให้ปัญญาทำงานได้ดีได้สำเร็จเป็นปัจจัยภายในตัวนําที่ทำให้เกิดปัญญารู้เข้าใจถูกต้องมองเห็นทางออกทางแก้ไขโยนิโสมนัสิการใช้ได้ทุกสถานการณ์ ตั้งต้นแต่菩萨ทวานรับรู้พบเรื่องร้ายก็ทำให้เป็นเรื่องดีปัญหายิ่งมาปัญญาก็ยิ่งมีในวิกฤตก็เห็นโอกาสในวิบัติก็หาช่องวิวัฒได้ฟังเสียงร้องเพลงหรือเสียงร้องไห้เลยได้เห็นธรรมะควรเน้นที่จะใช้ให้มาก การพัฒนาปัญญาเป็นงานเป้าหมายใหญ่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมมากเมื่อเป็นการพัฒนาปัญญาที่จะให้รู้ชัดถึงความจริงตามสภาวะบางทีแทนที่จะเรียกกว้างๆ ว, ว่าปัญญาภาวนาก็เรียกชื่อจำเพาะลงไปว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสนาคือปัญญาเห็นแจ้งเป็นไวโพสหนึ่งของปัญญา หมายถึงปัญญาในระดับที่รู้ถึงสภาวะปัญญาเป็นตัวจริงของพระพุทธศาสนาปัญญาภาวนาก็เป็นการพัฒนาในขั้นให้ถึงจุดหมายของพุทธธรรมในที่นี้มุ่งจะบอกพอให้รู้จักเป็นเขาจึงเขียนเป็นบทแนะนำไว้เพียงนี้ บุคคลที่พัฒนาจบครบสี่ภาวนาอย่างที่ว่ามานี้เป็นภาวิตสี่ด้านคือ 1. ภาวิตกายหรือภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้วคือมีกายภาวนา 2. ภาวิตศีลหรือภาวิศศีลมีศีลที่พัฒนาแล้วคือมีศีลภาวนา 3. ภาวิตจิตหรือภาวิศจิต มีจิตใจที่พัฒนาแล้วคือมีจิตตภาวนาและสภพาวิตปัญญาหรือภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วคือมีปัญญาภาวนาบุคคลที่เป็นภาวิตรครบสี่ด้านนี้เป็นผู้ที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงตนเองก็ไร้ทุกข์หมดปัญหาเป็นสุขทุกเวลาและช่วยแก้ปัญหาพาคนอื่น ให้มีความสุขเป็นแสงอัมภัยที่ทำโลกให้สดใสเป็นอริยะหรืออริยชนเต็มขั้นท่านที่เรียกว่าพระอรหันต์หรืออเสขะเป็นต้นคืออย่างนี้ตามที่รู้กันโดยนิยมถือเกณฑ์วัดความเป็นอริยะหรืออริยชนจัดแยกเป็นสีขั้นคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต ตามลำดับที่ละสังโยชน์ได้เท่านั้นข้อเท่านี้ข้อคือข้อนั้นข้อนี้เมื่อละสังโยชน์หมดสิ้นทั้งสิบข้อก็เป็นพระอระหันต์ในที่นี้จะไม่บอกว่าสังโยชน์สิบคืออันใดบ้างแต่ขอพูดสั้นๆว่านั้นเป็นเกณฑ์สำหรับดูในแง่หมดในที่นี้พูดในแง่มีคือเป็นพาวิศีโดยมีภาวนาศีที่กล่าวมานี้ ในภาษาบาลีภาวนาหมายถึงการพัฒนาคนส่วนพัฒนาเป็นคำที่ใช้ในความหมายทั่วไปแม้แต่พูดว่ากองขยะพัฒนาใหญ่โตขึ้นที่พูดมานับว่าจบครบเต็มระบบของพระพุทธศาสนาเป็นการพูดอย่างกว้างๆครอบคลุมในส่วนที่โยงมาถึงปฏิบัติการของมนุษย์ในวิถีชีวิตวิถีสังคม อันมีโลกแวดล้อมเป็นที่รองรับภาคพนวกข้อที่หนึ่งอาคตสสถานคือหลักฐานหรือที่มาอาคตสสถานของภาวนาสีและพาวิศี เกี่ยวกับอคตสถานของหลักภาวนาสีและาวิสีมีเรื่องน่ารู้มากยิ่งแต่ที่นี่เหลือเนื้อที่ให้พูดน้อยนักจึงบอกพอได้เขาดังว่าแล้วภาวนานี้มักใช้ในเชิงวัดผลพุทธพจน์ในเรื่องนี้จึงมักเป็นภาวิตเช่นที่ตรัสเตือนพระให้ป้องกันอนาคตภัยในพระไตรปิฎกเล่มที่22ซึ่งให้เห็นความสัมพันธ์ที่ตรายสิกขา ไปสู่ภาวนาหรือภาวิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบตรัสว่าผู้ไม่เป็นสี่ภาวิทธาบาปนิดก็ไปนรกแต่ผู้ภาวิทธิ์ทพลาดผิดมีโทษน้อยในคำภีเปตโกปเทศะจัดมักมีองค์แปดเข้ากับภาวนาสีว่า กายภาวนาเท่ากับองค์ที่4ถึงห้าศีลภาวนาเท่ากับองค์ที่สามและหจิตตภาวนาเท่ากับองค์ที่สองและ8ปดปัญญาภาวนาเท่ากับองค์ที่หนึ่งและเจดแต่ทั่วไปจะเป็นทํานองนี้ว่าปัญจทวาระภาวนายะวาภาวิตา迦โย ο. ภาคผนวกข้อที่สองภาวนาพัฒนาการ Development 4สด้านหลักภาวนาสี่เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Development จะว่า f o r for development หรือว่า four spheres of development หรือว่า four aspects of development ก็แล้วแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ชื่อของ Development ทั้ง4ด้านพอดีตรงกับของฝรั่งเฉพาะอย่างยิ่งที่วงการโปรเกร s i v e Education ในอเมริกามีจ o h n d e w ว y เป็นผู้เด่นนำใช้มาร้อยกว่าปีแล้วซึ่งของพุทธศาสนาใช้มาสองพันกว่าปีทีนี้ที่ฝรั่งพูดถึงพัฒนาการคือ Development สี่ด้านนั้นตรงกับพระพุทธศาสนาในด้านศัพท์แต่ความหมายไม่ตรงกันแท้ไม่ต้องไปถึงความหมาย แม้แต่คำแปลเมื่อถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยยิ่งทำให้เกิดความสับสนเป็นปัญหาเรื่อยมายาวนานควรจะพูดกันให้ชัดซึ่งก็ไม่ยากอะไรคือ 1. physical development พัฒนาการทางกาย 2. mental development พัฒนาการทางปัญญาซึ่งมักแปลพลาดไปเป็นพัฒนาการทางจิตใจ 3. e m o t i o n a l development พัฒนาการทางจิตใจซึ่งมักแปลาตามคำไทยที่เพี้ยนไปว่าพัฒนาการทางอารมณ์และ 4. social development พัฒนาการทางสังคมข้อที่2คือการพัฒนาทางปัญญานั้นบางทีใช้คำว่า intellectual development หรือ cognitive development ข้อ2และ3คือพัฒนาการทางปัญญาและจิตใจนั้นที่มักได้ยินคำแปลผิดเพี้ยนได้พูดทำความเข้าใจไว้มากแล้วในหนังสือสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธเมื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นกันอย่างนี้แล้วก็มาตกลงคำแปลศัพท์ของภาวนาสีเป็น Development หรือพัฒนาการสีด้านดังนี้ 1. กายภาวนาการพัฒนากาย Physical Development 2. ศีลภาวนาการพัฒนาศีล Moral Development หรือ Social Development 3. จิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจ Immerional ในวงเล็บ and Volitional Development 4. ปัญญาภาวนาการพัฒนาปัญญา Cognitive Development หรือ Wisdom Development ขอย้ำว่าแม้ว่าคำเรียกหรือชื่อจะตรงกันหรือใกล้กันมากความหมายก็ไม่ใช่ตรงกันแท้เฉพาะอย่างยิ่งข้อหนึ่งกายภาวนาการพัฒนากายในการศึกษาสมัยใหม่มุ่งที่ความเจริญเติบโตของร่างกายสมวัยและแข็งแรงมีสุขภาพดีโดยเน้นพะละศึกษา รวมทั้งฝึกทักษะความชำนาญคล่องกายในกีฬาต่างๆตลอดจนหัดฟ้อนรำฝึกทหารเป็นต้นแต่พุทธธรรมว่าต้องคลุมถึงพัฒนาเบญจทวารกายเรียกสั้นๆว่าเบญจทวารภาวนาในการสัมพันธ์กับโลกคือการรับรู้สื่อสารกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวดังได้ว่ามา บทนำสู่พุทธธรรมชีวิตงามสังคมดีธรรมชาติเป็นโรมนีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตเสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรมพลดีเสียงอ่านทุกเรื่องโปรดใช้ฟังเพื่อจับภาพรวมในเบื้องต้นหรือเพื่อทบทวนหากต้องการนำไปอ้างอิงควรตรวจสอบกับต้นฉบับจากวัดหรือองค์กร น, นั้นๆอีกครั้งนะครับเราะอาจมีการอ่านผิดเว้นวรรคผิดหรือพิมพ์ผิด หรือมีการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาได้นะครับบางครั้งอาจมีสั ญ, ญลักษณ์เครื่องหมายหมายเหตุคำเกี่ยวเนื่องจากภาษาอื่นซึ่งอาจอ่านได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือบางครั้งต้องละไว้เพื่อความสะดวกในการฟังในการจับภาพรวมให้เข้าใจในเบื้องต้นได้ง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นที่มาของพุทธพจน์จะอ่านแค่ว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรเท่านั้นนะครับ เสีงานทุกเรื่องจัดทําเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นด้วยเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดองค์กรหรือสํานักพิมพ์ใดๆทั้งสิน้นสามารถนําไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดยกเว้นช่องทางที่จะเผยแพร่มีเวลาจํากัดจะเผยแพร่เฉพาะบางส่วนบางตอนบางท่อนก็แล้วแต่เห็นสมควรนะครับในที่นี้หมายถึง การตัดต่อดัดแปลงให้เนื้อหาผิดไปจากเดิมหรือทําให้คนเข้าใจเนื้อหาผิดไปจากจุดมุ่งหมายเดิมนะครับขอทุกท่านร่วมมานุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้รอบรัวทรงพลรอบรัวสุทธาหลวงรอบรัวนกสุวรรณรอบรัวคงสุขธนกิจไตราสารณกุลชัยพิรยาธรรมเมธีสุพรรณีประเสริฐสุขฐานิตาแพชนะนิจชามาโสภาวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัต รัตนอาภาอตัโตหิจิตติมาเดรนงรักสุววิวัตยองเอ็มาดวดีปั้นงามวิชานมลทาทิกุลรวมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อได้ในรายละเอียดทุกช่องทางที่จมรมพลดีเผยแพร่สัภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขออนุโมทนาทุกท่านรวมถึงท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ ขอความสุขความเจริญในทางที่เป็นกุศลจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเถินอริยะคุณพุทธธรรมเมษายนพุทธศักราช2565